ม่ามีามคาถามมาสักยะทิฏฐิหมายถึงอะไรพระโสดาบันทุกท่านต้องและตัวนี้ได้ใช่ไหมนอกจากวิจิกิจฉาและศีลและปะตบปรามาสและปฏิบัติเช่นไรจึงละสังโยชนีน้ได้อ๋อ <c oughs> สักยะทิฏฐิ เป็นหนึ่งในสังโยชนิสิประการนะมีสักกายทิติวิจิจฉาสีและปะตัลปามาสกามราฆะพยาบาทนะรูปปาคาฆรูปปาลาฆะมานะอุทจฉวิชานี่เป็นสังโยชนเครื่องร้อยลับจิตให้ติดอยู่ในภพที่พระโสดาบันและพระสกาทาคามีเนี่ยจะต้องละได้3มตัวแรกนะสองตัวต่อไปเนี่ยพระอนาคามีจะต้องละได้ ห้าตัวอันนี้จะเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำนะส่วนห้าตัวต่อไปนี่เรียกว่าสังโยชน์เบื้องสูงผู้เดินมรรคในขั้นพระอะหรหันต์อตรหัตมรรคจึงเป็นผู้ละห้าตัวที่เหลือนะนั้นพระโสดาบันต้องละสักยะทิฏฐิได้แน่นอนสักยะ <c oughs> ทิฏฐิทิฏฐิหมายถึงความเห็น ความเห็นที่เป็นตัวตนนะสักยะเป็นตัวตนของอะไรของขันทั้งห้าตรงนี้มีเข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันสาวกปัจจุบันจะคิดว่าสักยทิฏฐิคือการละรูปได้คือตัวตนคือก้อนกายนะแต่จริงๆแล้วเป็นการละความเห็นผิดนะที่เกี่ยวข้องกับขันห้าว่าขันห้าเนี่ยเที่ยง คนนั้นจะมีความเห็นที่ถูกต้องว่าขันห้านี่ไม่เที่ยงไปดูคุณสมบัติพระโสดาบันขั้นต้นพระาศาสดาจึงบอกว่าระดับโสดาปฏิมัติเนี่ยคือสัทธานุสาลีต่ําสุดของโสดาปฏิมัติที่ก่อนตายต้องได้โสดาปฏิผลเนี่ยคือจะต้องเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนะต้องเห็นอนิจจังใน ขันทั้ง5้าต้องเปลี่ยนความเห็นได้ว่าขันห้าทั้งหมดเลยเนี่ยลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงแต่ยังปล่อยวางขันห้าไม่ได้นะเพียงแต่เปลี่ยนความเห็นผิดได้พระโสดาบันจึงเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นความเห็นที่ถูกต้องนะง <c oughs> ั้นพระโสดาบันทุกท่านต้องลัตัวนี้ได้ใช่ไหมใช่แน่นอนแล้วก็ต้องวิจิกิจารและสีะรับปราปลมาดด้วย ส่วนปฏิบัติเช่นไรจริงละสังโยชนี้ได้ปฏิบัติตามมักมีองคปดนะมักมอีองค์8เป็นหนทางเข้าถึงความพ้นทุกข์และความไม่ตายเข้าถึงนิพพานนะไม่มีวิธีอื่นส่วนมักมีองคปดก็จะแตกมักวิธีออกไปนะจะเป็นอานาปาณสตรีเป็นอ่าหลายๆอย่างอสุภานะอาหารเปฏิกูลสัญญา อันนี้จังทุกขังอนัตตานะก็ลงไปได้หลายๆเรื่องนะ <c oughs> อนาปานสติและกายกตาสติเหมาะ ส, สมกับมนุษย์ทุกคนทุกแบบหรือไม่นะอนาปานสติเนี่ยพระาศาสดาบอกว่าบุคคลใดจเจริญให้มากทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นพร ะ, ะาราหันหรือพระอนาคามีบุคคล นะบอกว่าบุคคลใดทำมากก็ไม่เว้นแม้แต่ความเป็นคารวานะไม่มีมรรคิธีใดเหมาะกับเหมาะกับทุกคนแบบ 100% เซนะ์เพียงแต่เหมาะกับส่วนใหญนะ่ส่วนใหญ่นั้นเราเอาความเห็นใครคือความเห็นพระาศาสดาที่จะสันเสริญเอาไว้สำหรับมรรคิธีอันนี้อันนี้นะอนาปานสติก็เป็นมรรคิธีหนึ่งที่พระาศาสดาสรรเสริญไวมาก ตัวพระองค์เองก็ใช้และบอกว่าเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลเป็นอริยวิหารเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่พระตถาคต <c oughs> บอกอณนนิสง์ของการเจริญอาณาป า, ปานสติไว้มากบอกสอนไว้มากนะเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่พระศาสดาบอกสอนไว้มากเราก็หยิบสิ่งนั้นเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติก่อนให้เน้นไปที่พระศาสดาสรรเซิลเพราะพระองค์บอกว่ามหาชนทั้งหลายเนี่ย จะเดินตามที่พระองค์สรรเสริญเอาไว้ในเรื่องของมรรควิธีวิธีไหนดีที่สุดพระสารีบุตรเคยถามพระาศาสดาแล้วว่าวิธีไหนดีที่สุดพระาศาสดาบอกว่าพยากรณ์ไม่ได้พระสารีบุตรถามว่าศรัทธาวิมุตต์ดีไหมนะกายสักขีหรือทิฏฐิ ป, ปัตยกายสักขีก็อยู่ในส่วนของเจโตวิมุตต์ทิฏฐิ ป, ปัตยก็อยู่ในส่วนของปัญญาวิมุตต์สามอย่างนี้อันไหนดี พระศาสดาบอกว่าสารีบุตรเป็นการยากที่จะพยากรโดยส่วนเดียวว่าวิธีไหนดีกว่ากันพยากรไม่ได้เหตุผลก็คือขณะที่ศรัทธาวิมุตติกำลังปฏิบัติเพื่อความเป็นพระละหันพวกกายสักขีทิฏฐิปัตเป็นโสดาบันอยู่ก็มีขณะที่กายสักขีปฏิบัติเพื่อความเป็นพระละหันพวกศรัทธาวิมุตติพวกทิฏฐิปัตเป็นโสดาบันอยู่ก็มีขณะที่ทิฏฐิปัต ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระละหัน์พวกศรัทธาวิมุตต์พวกกายสัก ข, ขียังเป็นโสดาบันอยู่ก็มีนะ <c oughs> อันนี้มันแล้วแต่อินทรี์บารมีแต่ละคนอินทรี์ทั้งห้าคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาห้าตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเร็วในการบรรลุธรรมจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับห้าตัวนี้เวลาเราประพฤติปฏิบัติเราจึง เดินตามที่พระศาสดาสันเสริญเช่นกายคตาสติอาณาปานสติการละนันทิการพิจารณาผัสสะที่พระองค์บอกเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานยมต้องกลับไปที่พุทธวจนะที่ตรัสสันเสริญและพูดบ่อยสอนบ่อยเกี่ยวกับมรรควิธีนั้นๆนะอันนี้เราต้องสั่งสมสุดตะมากเราถึงจะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะปฏิบัติแล้ว คำถามทีม่ปฏิบัติแล้วรู้สึกโปร่งโล่งสบายเบากายเบาใจเห็นว่าบังคับใจไม่ได้ในบางครั้งเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่และจะพัฒนาไปได้อย่างไรนั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมีอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่าสมาถะจิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียว ภารกิจที่สองที่นักปฏิบัติต้องกระทำคือวิปัสนาคือตามเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของขันธ์ทั้ง5ในการเจริญสมาธิทั้ง9ระดับที่พระาศาสดาตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานถึงสัญญาเวทิตนิโรธนในฌาน1ถึ 4, งฌานสพระองค์บอกว่าเมื่อได้สมาธิในสีขัน้นนียขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในองฌานนั้น ถ้าได้สมาธิตั้งแต่อาคาสาวิญญาอากินจัญญายจตนะอันนี้ให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4ถ้าได้เนวสัญญานาสัญญายจตนาะถึงสัญญาเวทินโลดสขั้นนี้ให้ออกจากสมาบัติให้เข้าสมาบัติเข้าไปใหม่แล้วถึงจะกล่าวอะไรว่าอะไรอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบนี่คือวิธีในการหลุดพ้นจิตนิ่งแล้วเห็นการเกิดดับขันธ์ทั้ง5ต่อไป นั้นโยมบอกว่าถามจะพัฒนาอย่างไรต่อไปก็คือตามเห็นการเกิดดับขันธ์ห้าต่อไปนะคำ <c oughs> ถา ม, ถามต่อไปคุณสมบัติพระโสดาบันบางอย่าง <c oughs> ไม่เอ่ยถึงการละสักยัติทิฏฐิเลยมีหมายที่โสดาบันบางประเภทจะไม่มีคุณสมบัตินี้แล้วแล้วจะสมบูรณ์ด้วยปัญญาของความเป็นโสดาบันได้อย่างไร การไม่เอ่ยถึงสักยะทิฏฐิมันมีสักยะทิฏฐิอยู่ในนั้นอยู่แล้วคุณสมบัติความเป็นพระโสดาบันพระตถาคตตรัสไว้40กว่านัยยะเวลาตรัสไนยะของสินห้าบริบูรณ์คู่กับโสตาปฏยังคัสสีอารัธไมไม่ไปอธิบายว่าปุพัยานวัตถุ44กับยานวตถุ77ไปไหนปุพันตานุติติอภรตานุติติไปไหนนะอริยญาณธรรมไปไหน ผู้เจ้าจัดทีละอ ย, อย่างทีละยางทีลเรื่องทีละเรื่อ ง, องแต่ละอย่างแต่ละเรื่องสมบูรณ์ในตัวของมันเองและมุมของสักกายทิฏฐิก็มีอยู่ในนั้นอยู่แล้วอย่างอธิบายเรื่องความเป็นโสดาบันเนี่ยจะละปุกปันตานุทิฏฐิคือความเห็นที่ปารลบขันในเบื้องต้นกับอป ร, รันตานุทิฏฐิความเห็นปารลบขันในเบื้องตับเบื้องปลายไม่ได้พูดเรื่องสักกายทิฏฐิแต่โดยความหมายนั้นคนที่ละความเห็นที่ปารลบขันใน อดีตกับอนาคตได้ก็คือคนนั้นเนี่ยมีความเข้าใจถูกต้องกับขันทั้งห้าอันเป็นปัจจุบันได้เห็นความไม่เที่ยงนั่นเองเขาถึงไม่กังวลกับขันในอดีตและขันในอนาคตนี่คือความที่สักยติฐิมันแฝงอยู่ในองค์ธรรมนั้นๆที่เราไม่ทราบเหมือนกับมัสมีองค์8ดที่พระศาสดา บ, บอกว่าเมื่อเธอจเจริญสัมมาสัมมาสังกปะเนี่ยมีคุณธรรมอะไรได้ตามมาที่ไม่ต้องไปพูดถึง คืออะไรสักยทิฏฐินะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแวดล้อมอยู่ในองค์ของสัมมาสังคปะสัมมาวายามะก็แวดล้อมอยู่สัมมาสติก็แวดล้อมสมาสมาธิก็แวดล้อมมักมีองค์แข้ออื่นอยู่ในข้อนั้นเสร็จอยู่ในข้อสัมมาสังกปะเสร็จหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาพระุทธเจ้าพูดญาวัตถุสี่สี่เจ็ดสไมต้องมาพูดสักยะทิฏฐิซ้อนเข้าไปอีกก็ไม่จําเป็นต้องพูด นะ <c oughs> คำถามต่อไปอยากทราบวิธีที่จะทำให้กายที่จะทากายให้วิเวกอยู่ได้ในที่จำเป็นต้องคลุกคลี <c oughs> ถ้าโยมทำจิตให้วิเวกก็ชื่อว่ากายวิเวกเหมือนกันนั้นเวลาเราอยู่ในที่คลุกคลีโยมก็ตั้งจิตอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจ ก็ชื่อว่าได้กายวิเวกจิตวิเวกไม่มีเพื่อนสองแม้จะอยู่เกลินกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสบอุบาสิกาพระราชามหาหมาตเดลถีหรือสาวกของเดลถีก็ตามภิกษุนั้นพระองค์ก็เรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้นะหรือถ้าจะทำให้วิเวกนะอีกนัยยะหนึ่งที่ตัดกับภิกษุชื่อเถระก็คือว่าอดีตก็ละได้แล้วอนาคตก็วางได้นะ ปัจจุบันก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่ น, นเนี่ยอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่วิเวกที่แท้จริงอยู่ผู้เดียวที่แท้จริงนั้นถึงแม้เราจะคลุกคลีอยู่กับรูปเสียงกลิ่นนะรสคลุกคลีอยู่กับบู่บริษัททั้งหลายแต่ถ้าเราตั้งจิตอยู่กับกายได้ไม่ให้จิตเคลื่อนไปที่ไหนก็ชื่อว่าเราวิเวกพระมหากับปินะนั่งในที่ท่ามกลางสง หรือนั่งในที่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวก็ตามนั่งนิ่งไม่ขยับไม่ไหวติงจนเป็นที่เรื่องลือไปในหมู่ภิกษุภิกษุก็เลยถามผู้เจ้าว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นผู้เจ้าบอกว่าพระมหากาพย์น่าเจริญอาณาปานสีมาเป็นอย่างดีจึงทําให้จิตของท่านเนี่ยไม่ไหวโครงเพราะจิตท่านเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเมื่อจิตไม่ไหวโครงกายก็ไม่ไหวโครงเมื่อจิตไม่ขยับกายก็ไม่ขยับเห็นไหม วิเวกแล้วแค่นี้วิเวกแล้วนะเจริญอาณาปานัสติยอมได้แล้วความวิเวกนะ <c oughs> นี่เห็นแง่มุมต่างๆคำถามต่อไปเป็นผู้หลงอารมณ์มากโดยเฉพาะกับความคิด <c oughs> ความคิดอะไรนะแล้วรู้อะไร ไม่รู้เนี่น <c oughs> ยนะเดยใชครับกับความคิดแล้วก็รู้แล้วพยายามดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจก็ยังยากอยู่จะทำอย่างไรให้จิตเข้มแข็งได้ไวๆโอ้ตามเหตุปัจจัยอันนี้การที่ทำดึงกลับมาแล้วเนี่ยดึงได้เร็วขึ้นกว่าเดิมก็ชื่อว่าก้าวหน้า และถ้าดึงได้เร็วกลับมาดุจกระพิบตาพระสัสดาก็ชมว่า see, อนาินทร์สีภาณาชันเลิศ น, น ะ, ะเพราะนั้นเราก็ทำอย่างที่ทำเนี่ยแต่เวลาอยากจะให้มันได้เร็วได้ไวก็ลดความอยากลงนิดนึงอาจจะมีความอยากมากเกินไป ในการที่อยากจะได้มรดกได้ผลไวๆมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหมือนผู้เจ้าบอกเหมือนแม่ไก่กกไข่แม่ไก่ไม่มี <c oughs> ลิธานุภาพที่จะดนบันดาลว่าลูกของเราจงออกจากไข่เวลานั้นเวลานี้หน้าที่แม่ไก่ก็คือกกไข่ให้ดีพลิกไข่ให้ทั่ว <c oughs> แล้วลูกไก่ก็จะออกมาได้ตามเวลาที่สมควร ติดรสชาติอาหารมากๆจะใช้หลักการละน้นที่มาแก้ไขอย่างไรดี เ, <c oughs> <c oughs> เวลาเวลายมทานอาหารยมเคยสังเกตไหมว่าจิตยมเนี่ยฟุ้งไปในความคิดเยอะแ ย, ยะมากมายเลยเวลาทานอาหารแล้วก็คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ปรุงแต่งไป บางทีก็คิดเกี่ยวกับเรื่องอาหารนี่แหละนะอาหารนั้นนี่ต้องผสมกันนี้นี่ต้องบวกกันนี้มันปรุงแต่งตลอดเลยน ะ, ะนึกถึงโอ้อันนี้เราเคยทานเมื่อวันนั้นวันนี้นีนนน่เคยเดี๋ยวจะไปทานต่อที่นี่อะไรอย่างนี้มันจะปรุงแต่งทํำยังไงยมจะให้กินอาหารกินเฉยๆให้มันไม่คิดนะละความเพลินในอารมณ์มันจะหมดอร่อยไปเยอะเหมือนกันน ะ, อ, ะอันก็จะกินโดยหยุดการปรุงแต่ง ให้มากก็คือรับรู้ลดไปเฉยเฉยรับรู้ลดนะการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลก็ได้นะหรือเห็นอาทีนวะของอาหารโยมทานอาหารแล้วก็เคี้ยวเี้ยวแล้วลองคายออกมาก็ได้นะก็เริ่มเห็นอาทีนวะโทษของมันแล้วแต่ถ้าบอกออ้ยในปากเราทานได้อยู่แล้วลองเอาของเพื่อนมาคายดูก็ได้นะก็เริ่มจะเห็นอาทีนวะเห็นโทษละ นะก็พยายามมันพินาณาอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารโภชนเนมัตันยุตาทานพอดีนะยิ่จะทานอร่อยก็ได้ปรุงก็ได้แต่พอท้องมันเริ่มจะเต็มละพร่องอีกเล็กน้อยพร่องเล็กน้อยก็ให้หยุดนะคุณเจ้าบอกให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยเวลาทานอาหาร จับหลักนี้หลักเดียวก็ได้โยมก็ทานอาหารอร่อยได้ปรุงแต่งได้แต่รู้จักหยุดมันในเวลาที่คนหยุดก็คือโยมได้ห้ามความอยากแล้วนะได้ฝึกแก้ไขแล้วซึ่งก็ยากเหมือนกันนะกำลังอร่อยติดพันเนี่ยหยุดยากกัมอนกันนะอโอกาสทวจาืในพระสมถีเก้าระดับนี้สัญญาเวาทีตานิโรจนี่เ ป, ป็นระดับสัญญาใชม เป็นอะไรนะสัญญาเวทีตานิโรธพระระดับสัญญาใช่ไหมแปลว่าสัญญาดับสัญญาดับใช่เวทนาดับสัญญาในปฏิจจสัญญาทเนี่ยขึ้นต้นด้วยสังขารสังขารและวิญญาณทีนี้ในสมาธิเก้าดับทําไมไม่มีตัวคือว่าดับสังขารดับสังขารในตรงนี้ก็คือเข้าวิมุตแล้วถ้าดับสังขารเพราะสังขารเนี่ยมีประมาณมากเหมือนสัญญามีประมาณมาก สังขารที่เหลือในสัญญาเวติเตนโลนันนิดเดียวถ้าดับตรงนี้ก็คือเขาพิมุตได้เลยนะขออนุญาตพระอาจารย์ครับคือคนทางบ้านเขาฝากถามนาคือขณะนี้เขาดูเน็ตอยู่ด้วยนะครับเขาฝากถามมาว่าเขาได้ยินมาว่าทางทางผู้จ้ชนะเราบอกว่าการดูหมอของพระพิสุเนี่ยห้ามเด็ดขาดถาูกไหมฮะอัะอะอนนี้ เขาเป็นมีอาชีพเป็นนักโหราศาสตร์ต้องดูหมออยู่เนี่ยนะเอยากให้พระอาจารย์แนะนำว่าแล้วเขาจะทํำยังไงดีจะมีแนวทางปฏิบัติยังไงอ๋อครับอืมก็ของพิสุห้ามแต่คารวะไม่ได้ห้ามอ่ะเนาะอ๋อคารวะไม่ได้ห้ามใช่ไหมคารวะไม่ได้ห้ามนะครับก็เขายังจัดอยู่ในสมาทิฏฐิเบื้องต้นน่ะก็ดูแลพวกสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นไปก็ได้นะไปยังทําอาชีพนี้ต่อไปได้นะอ่าฮะครับผม ใช่ใช่ถ้าจะทํานะถ้าไม่มีอาชีพอื่นนะเ ข, เขาทําอยู่นะปัจจุบันเนี้ใช่ใช่ถ้ายังไม่มีอาชีพอื่นเปลี่ยนก็ทําไปก่อนแล้วยมนั่งสมาธิให้มากแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะขอให้มีอาชีพที่ดีกว่านี้ก็ได้นะหรือมีเหตุปัจจัยที่ที่เกือ้อกูลกว่านี้นะเพราะว่าการทําสมาธิเนี่ยเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบัน นก็อาจจะมีเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ทําเท่านี้ไปก่อนครับผมอย่างน้อยก็อชื่อว่าไปดูแลพวกสมมติถิเบื้องต้นน่ะเร<อ>า <พบ S 1> ก็แนะนําเข้ามาปฏิบัติธรรมให้เป็นสมมติีิเบื้องปลายแล้วกันอเอาคําแนะนําของเขาที่เขาเขาทำนายไปแล้วแนะนําให้มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมใช่ใช่เอาพุทธวจนะไปสอนเขาก็ได้ใช่ไหมหรือหรือไม่เวลา เวลาโยามบอกพยากรใครเนี่ยยมบอกถึงความไม่เที่ยงไปด้วยอ๋อครับค <laughs> ับวมันอธิจังนะแล้วให้เขานั่งเจริญสมาธิไปรเรื่อยๆเดี๋ยว<ช>จะได้อาชีพใหม่ไหมอะ yes? อย่างเงี้ย<ช>พอจะได้ไหมฮะใช่ใช่ใชโอเค<ช>ขอบคุณครับขอโาอกาสครับถ้าเขาดูหมอแล้วเขาไม่เขาไม่บอกอย่างที่พระอาจารย์บอกบอกแน่นอนแน่นอนนี้ถือว่าผินศีลข้อสี่ไหครับถ้าเขาดูไปแล้วเขาบอกแน่นอนอปั่นทงอย่างเงี้ยครับ อ๋อก็แสดงว่าเขาเชื่อเขาเชื่อตำรามากกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าไงเขาก็ฟังทงได้เขาก็ไม่ได้โกหกหรอกแต่เขาเชื่อมากกว่าเขามีศรัทธาตรงนี้ศาสตร์ของเขามากกว่าคําสอนพร ะ, พระาศาสดาไงอย่างนี้ครับแล้วถ้าเขาทําโดยความเป็นสาระไปก็แสดงว่าเขาก็เป็นโซดาบัณไม่ได้ไก็ยังไม่ได้โซดาบัณ <laughs> ในปฏิจจสมบทบาทเนี่ยครับตัวประธานนี่เป็นตัวเชื่อมใช่หมครัทุกสิ่งทุกอย่างอุปทานเหรอประทานเป็นตัวยึดไวคล้ข า, ขายๆ <c oughs> เป็นคล้ข า, ขายๆเป็นข้อต่อหว่างโซ่ถ้าจะบอกข้อต่อต้องบอกว่าตัวกฎอิทัิปฏิจยตาเป็นข้อต่อว่าอันนี้มีอันนี้มีเนะี่ยที่ไหลมันมาได้เนี่ยเพราะกฎอิทัปปยยิปฏิจจตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดอย่างเนี้ยอ่าไปตารละเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นอกฎปฏิจจสมุปบาทหรือว่าในขันทั้งหาทั้งหลายเนี่ยตัวละนี่เราต้องรับอุปท า, านความยึดมันด้ใช่ไหมครับทุกตัวทั้งหลายมันก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าจะพูด<อ>ทุกตัวเนี่ยต้องใช้คําว่าอุปั t h i มากกว่าใช้อุป athi อุป athi เป็นตัวใหญ่ที่ที่คลุมทั้งหมดเลยอืหรือจะว่าอุปทานก็ ก็พอได้เพราะพระุทธเจ้าจะตัดว่าในเรื่องของว่าอ่าภิกษุผู้มีอุปทานจะปรินิพานไม่ได้นะถ้าภิกษุผู้ไม่มีอุอปทานก็จะปรินิพาน น, นี่คําที่ย้อนไหมครับในพิทธปจยตานี่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีก็ตัวสองมันทัดล่างไง เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีใช่ไหมเพราะการเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเนี่ยตัวบรรทัดที่สาบรรทัดที่สี่เพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแล้วต่สิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีครับมีหนึสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีก็ถ้าวิชามีอวิชาก็จะไม่มีอย่างนี้ก็ได้คือนะมันไม่มีแค่สีบรรทัดแต่จริงมันก็มีมีสิ่งนี้แล้วไม่มีสิ่งนี้อีกวิไม่ได้ตัดไวปอ่าจะจะพููดดดพแบบบบใหห้้้กกกกกลััันนนออย่่าางี็็ไเมืว ความเที่ยงมีไหมอย่างเนี้ยเราก็บอกอะไรในโลกเนี่ยไม่เที่ยงหมดแต่ความเห็นที่ว่าไม่เที่ยงเนี่ยคือเที่ยงนะมันมีความเที่ยงอยู่ความเห็นที่ว่าทั้งสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยความเห็นเนี่ยเที่ยงความเป็นโสดาบันจึงเที่ยงนะเพราะเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงหรือหรือความตายเนี่ย ความตายก็ทุกอย่างทุกอย่างในโลกเนี่ยตายหมดเลยใช่แล้วความตายเนี่ยดับไปได้ไหมความตายเนี่ยเที่ยงไหมก็จะมีที่สอนว่าความตายก็ไม่เที่ยงแต่เราก็บอกว่าความตายเที่ยงแน่นอนก็ต้องดูว่าเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรหรือนัยยะไหน ถ้าความตายไปเปรียบเทียบกับวิมุตต์ก็ความตายไม่เที่ยงความตายดับไปได้นะแต่ถ้าความตายเนี่ยเปรียบเทียบอยู่ในสังฆะเนี่ยความตายเที่ยงแน่นอนคือทุกอย่าง่ะดับแน่นอนตายแน่นอนนะออยมอยากทราบเรื่องเมถุนธรรมอ่าอขออาจารย์พระอาจารย์อธิบายเรื่องเมถุนธรรมในแง่ไหนบ้าง ความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะฮะคือะจะโดยไม่เสพสังวาสก็ถือว่าเป็นเมถุนธรรมโดยไม่เสพสังวาสเป็นเมถุนธรรมไหยอืมเมถุนธรรมอาจจะเป็นของตีกรอบลงมาอีกนิดหนึ่งนะอืมพุทธเจ้าก็จะมีอธิบายเช่นมุมว่าอ่าเป็นของปุถุชนเป็นของชาวบ้านนะเป็นของที่คนคู่เขากระทํากันอย่างนี้อืม ก็จะมีคาอธิบายอีกเล็กน้อยในนั้นนะแ <c oughs> ปลว่าข้อปฏิบัติต่งตางๆเนี่ยมันก็ต้องมีปีกย่อยกับมีลีกย่อยที่ถืออุโบสถศิลกับพระนี่ก็คนละระดับกันใช่ไหมครับของพระก็จะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะ นั่นจึงมีความแตกต่างของความเป็นนักบวชกับผู้ไม่ใช่ น, นักบวชไงสินข้อปฏิบัติกายวาจาของนักบวชเนี่ยในข้อปฏิบัตินี้พระเจ้าจึงเรียกนักบวชว่าเป็นอุปสัมบันิแล้วผู้ไม่ใช่นักบวชเนี่ยอุบาสกบาสิการเนี่ยจะเรียกอนุปสัมบันิผู้ไม่ใช่นักบวชหรือแม้แต่สัมมเนยสัมเนรีศิกขมานาพวกนี้ก็ยังเป็นอนุปสัมบันิคือไม่ใช่นักบวช คือโยมจากสร้างเมื่อบุคคลเกิดความกำหนัดแล้วทาําอสุจิให้เคลื่อนโดยไม่มีการเสพสังวาสกับบุคคลอื่นอันนี้จะเข้าลาักษณะเมตุนธรรมไหมครับหรือว่าอยู่ที่เจตนากรืไม่เจตนาอ่อก็อยู่ด้วยอยู่ที่เจตนาด้วยนะอืมเข้าอยู่ด้วยนะมีคําแปลตรงนี้อยู่นะในเรื่องของที่โยมไปดูพระสูตรที่ตัดกำหนัดนาคิตา ว่านากิตะยศอย่าต้องมาเกี่ยวข้องกับเราเลยเราอย่าต้องไปเกี่ยวข้องกับยศเลยลองอ่านพระสูตรนี้ให้จบนะอ่าเราจะได้คำตอบตรงนี้หน่อยนึ่งอ่าเอ็มการ์ตาาัวไว้อาออ๋ออ๋ออ่าอ อ๋ออแล้วมีคนถามยงว่าวันนี้คนมาวัดเยอะต้องบอกว่ามีคนถามโยงว่าทําไมวันนี้คนมาวัดเยอะยงก็ได้จะตอบว่าแปลว่าคนเขาเริ่มอยากจะศึกษาพุทธวจนะกันแล้วอ๋อก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีต่อต่อคำพระศาสดานะคำพูดของเจ้าเริ่มแพร่ขยายไปไกลมากขึ้น อ่าฮะต่อก็จะแพร่ขยายไปอีกอ่าฮะฟังเราแบบว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยการที่ศาสนาจะแผ่ไปสานไปทั่วโลกเนี่ยมันเกิดได้ยากต้องช่วยกันสร้างเหตุคือเข้าไปศึกษาคําศาสดาไม่งั้นเราจะเหมือนกับเราอยู่ไกลพระพุทธเจ้ามากนะเหมือนกับพระเจ้าเป็นอะไรที่ศึกษาไม่ได้เอื้อมไม่ถึงนะมองเป็นของยากไปอย่างนี้อจริงๆถ้าเราศึกษาคําพระเจ้าเราก็จะเหมือน เป็นสิทธ์เป็นอาจารย์กันนะ่ะท่านก็เป็นอาจารย์เราอย่างนี้นต้องทำความรู้สึกอย่างนั้นขออนุญาตฝากข่าวได้ไหมคะมีนคนชมรายการเคเบิลที่วันที่พี่น้อยมาค่ะแล้วบอกว่าดีมากเลยขออนุญาตใช้วาจาสัตบุรุษนะคะ <c oughs> ข่าวชื่นชมเ <c oughs> ชื่องไหนนะตอนไหนเมื่อสองอังคารที่แล้วอาจารย์ท<อ>ี่พี่น้อยกับพี่นพมาค่ะ พี่น้อยได้เล่าประวัติของตัวเองอะค่ะมันมากเลยสนุกมากโอ้เอาไปทั่วประเทศเลยก็เราเรื่องจริงค่ะอาจารย์ให้กลับไปดูเทปซ้ำช่องอะไรที่เราไม่เข้าใจมันเป็นเคเบิลทีวีอะค่ะเคเบิลทีวีช่อง a อ Business ต้องติดจานดำเดี๋ยวนี้ไม่ได้ติดตาจาเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดเขาติดจานดาวเทียมกันหมดราคามันพอๆกับเสาทีวีไงใช่ใช่ใช่ใช่ติดอีช่องจานเเบิลใช่แล้วไม่ต้องเสียอะไรเลยอาใช่ๆซื้อที่ไหนอะคะจานดาวเทียมที่นี่ นี่ร้านพุทธการก็มีขายถ้าเป็นลูกศิษย์ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์หกโมงถึงเจ็ดโมงเดี๋ยวต่อไปจะมีช่องดาวเทียมของวัดนาปาพงเองนะ <laughs> ยงังนนรู้ยังไม่ทราบโยมลุงรอดเขาจะตั้งให้ติดตั้งให้ <c oughs> อา น, นิสง์ของการตั้งสถานีดาวเทียมให้พระอาจารย์นี้ให้พุทธวจานะนี่ได้อา น, นิสงไงคะคุณลุงรอดเขาจะอาจจะอยากทราบก็ได้นะคะแต่ก็ไม่กล้าถามโ <c oughs> ยมโยมลองเทียบดูง่ายๆการชมพระศาสดาเนี่ยของพระนนท์นิดเดียวนะที่ชมว่าพระศาสดามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก ผู้เจ้ายังบอกว่าจะได้ไปเกิดเป็นพระมหาจากาักรพรรดิเจ็ดชาติเป็นเท้าสากาัดเทวราชเจ็ดอีกเจ็ดชาติน่าแต่นี้เราประกาศธรรมศาสดาออกไปทั่วโลกออกไปให้ทุกคนได้รู้เนี่ยโยมว่าจะได้นิสงขนาดไหนล่ะม ล, ลองไปคิดเอาเองฮะก็เหมือนกับการกระจายคำพระศาสดาน่ะโยมโยมทีวีดาวเทียมเนี่ยมันออกทั่วโลกเร็วพร้อมกันพืบ แต่มันปุ๊บก็หายไปแล้วนะหนังสือนี่อยู่ตลอดการเลย น, นะเห็นนะหนังสือก็ดูอย่างโยมดูอย่างไบรานสิที่เราเอามาจาก อ, อ, อัฟกานิสถานเห็นนะสองพัน 2, กว่าปีอะพศหกใช่ไมอ่ามันอยู่มาตลอดนี่เรายังบอกว่าทำสามิบสามเล่มเสร็จนะเอาไปเก็บไว้ใต้ภูเขาเพื่อเพื่ออนาคตจะมีคน ระเบิดภูเขาเราไปเจอบ้างพร ะ, าะอาจารย์คะอ น, นิสงส์นี้แรงไหมคะได้ผลเลยไหมคะได้ผลชาติน้า <c oughs> อ น, นิสงส์ตัวนี้เหรออืมยังไม่เจอเนาะยังไม่เจอ <c oughs> เพราะว่าถ้าถ้าส่งผลในปัจจุบันเนี่ยคือสมาธิแปดระดับนะแต่อนิสงส์ที่พระนนเนี่ยสรนเสริญพระเจ้าก็จะไปเกิดเป็นพระมหาจักรพรรดิเจ็ดชาติ แล้วก็เท้าสักการ์เทวราช7ชาติอ่ะโอ้โหเล่นมาสี่มมร400ใช่ไหมคะพระอาจารย์อ่าตัว33มสิเล่มใช่คือเราคือเรากระจายคำศาสดาไงอยอะจริงๆพุทธบริษัทเราเนี่ยต้องปกป้องคำศาสดาและกระจายและเผยแพร่คำศาสดา ยมต้องมั่นใจว่าศาสดาเราคาพูดศาสดาเราดีที่สุดเก่งที่สุดนะเนี่ยอ่าคือคือไม่เป็นไรไงคนมีอินทรีย์บารมีไม่เท่ากันบางคนอ่านปุ๊บเข้าใจบางคนอ่านปั๊บเข้าใจมากเข้าใจน้อยไม่เท่ากันไม่เป็นไระ้าไอ้ที่เข้าใจก็จะซ้ายังไม่ก้าวไม่ก้าวเท่ารักนั่งที่อย่างเดียวค่ะตอนนี้เราพอแล้วแค่นี้พอแล้ว จับได้หัวกะทิไปแล้วนะอ่าอ่าอ่าอ่าอือาคะคุณจะสลคุณปุ้ยมาอ่าฮะอ่าอ่าเจลีนพาน อย่างน้ำฝนจะเป็นคนกล่าวถวาย่ตัวแทนเดี๋ยวบอกเพื่อนๆนิดนึงนะคะพิมพวันนี้เนี่ยมีมีผู้ใจบุญน่ะนะคะมาร่วมบริจาคนะคะจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่พุทธวจนะนะคะนี้คือคุณยศสวัสด์ชีรพรสวัสดิ์นะคะ เจ้าของบริษัทยูมามอเตอร์ที่นำเข้ารถจากประเทศยุโรปมาขายนะคะพอดีก็ขอไม่ใกล้ๆหน่อยค่ะค่ะก็เลยพอดีวันนี้เนี่ยคุณยุสวัสด์บอกยังไม่ได้เคยอยากอยากจะร่วมพิมพ์แล้วก็ไม่เคยยังไม่ได้เคยมาที่วัด <c oughs> ก็เลยข อ, อกราดมามากราบพระอาจารย์ที่นี่แล้วก็มาถวายปัจจัยที่นี่แล้วก็จะได้ให้เพื่อนๆที่นี่เนี่ยร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะค่ะอย่างนั้นก็ อย่างนั้นขอขอเริ่มเลยนะคะค่ะก็ขอขอกล่าวคาถวายเป็นตัวแทนแทนคุณยศวัตรนะคะค่ะกราบนมัสการท่านพระอาจารย์คึกฤทิ์ข้าพเจ้านายยศวัต์ธีรพรสวัสด์บริษัทยูมามอเตอร์จำกัดได้เล็งเห็นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญตั้งมั่นของพระศักดธรรมจึงขอร่วมสร้างเหตุแห่งความเจริญให้แก่พระพุทธศาสนา ด้วยการถวายปัจจัยร่วมพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแผ่ธรรมะและวินัยที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุท ธ, ธะได้ทรงบัญญัติไว้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเป็นจำนวนเงินห้าแสนบาทแก่วัดนาป่าพงแต่เรื่องด้วยเงินเป็นของอันไม่สมควรแก่ภิกษุในการที่จะรับหรือให้รับข้าพเจ้าจึงขอมอบเงินนี้ไว้แก่ว ย, ยา ว, วัจกร ผู้กระทํากิจธุระแทนสงในอารามแห่งนี้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าในการที่จะดูแลรักษาเงินนี้ให้ปลอดภัยและยังประโยชน์ในเงินนี้ให้สําเร็จเป็นไปตามเจตนาที่ข้าพเจ้าได้มุ่ง ห, งหวังไว้ข้าพเจ้าขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโรเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงผู้เป็นทักคินั ย, ยบุคคล ได้โปรดเป็นตัวแทนของภิกษุสงฆ์รับมอบเจตนาในการถวายปัจจัยเพื่อใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือพุทธวจนะจากข้าพเจ้าอุบาสกผู้มีพระรัตนตยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเพื่อให้ทำก็ดีวินัยก็ดีอันแสดงแล้วปัญญแล้วโดยพระบรมศาสดาได้ดำรงคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน ม, มิให้ขาดศูญซึ่งกาลยานวัตร ตามที่พระาศาสดาได้ทรงตัดสั่งไว้อันจะเป็นการช่วยให้ผู้คนได้มีโอกาสบรรลุธรรมที่ถูกต้องสามารถทำตนให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิตฐิและกระทาที่สุดแห่งทุกได้ขออานิสงส์ผลบุญที่เกิดจากการถวายธรรมทานในครั้งนี้ได้ยังประโยชน์ให้ข้าพเจ้าตลอดจนผู้ร่วมอนุโมทนาบุญทั้งหลายได้เป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุ ข, ขะละ เป็นผู้ฉลาดในธรรมของสัตว์ตะบุษและท้ายที่สุดขอให้ได้สำเร็จมรรคผลเป็นอริยะบุคคลตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างโดยทั uh, yah, ่วกันทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุค่ะพระอาจครยคดีเดี๋ยวคุณยศวัตจะมอบปัจจัยไม่ราบมีใครอยู่รับแทนได้ครับอายยมตุยอยู่มยตุย เป็นอะไรล่ะเ ป, เป็นแค่เชียร์เช็คใช่ไหมอ๋อไดเ้เชิญเชิลยค่ะถ้าไม่ใช่ปกอ๋อแป๊บใส่กันไปลุกขึ้นเรื่อย เป็นใบนะคะที่ของบริษัทยูมาค่ะ<ง>อ น, นุโมทนาร่ด้วยนะคะก็ขออ น, นุโมทนากับโยมที่เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยและผู้ร่วมอนุโมทนาทุกคนนะก็<ม>ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมของพระถถารรมกฏให้สําเร็จสมวังในสิ่งที่ตนเองปรารถนาเป็นธรรมเป็นวินัยมีความเจริญรุ่งหนึ่งในชีวิต และที่สุดขอยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการันใกล้โดยเท่านาการทุกท่านทุกคนเตืนอน เออดีนน <sk r> ดก็เป็นเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาโดยตรงก็คือพระศาสด า, าบัญญัติเรื่องของความเจริญของศาสนาเนี่ยจะมีอยู่สี่อย่างหนึ่งบทพันนะต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกนั้นบทพันชนะนั้นก็คือต้องเป็นบทพันชนะของพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เรียกว่าพุทธวัจนะอย่างที่สองเนี่ยภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคํงสาสั่งสอนโดยเคารพหนักแน่น อย่างที่สภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธพฒนะทรงธรรมสมวินยัยงมาติการเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่า ย, ายทอดบอกสอนเนื้อความ น, านั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปคือพระเนี่ยสาวกเนี่ยจะต้องสอนคําศาสนาและกระจายและถ่ายทอดคําศาสนารุ่นต่อรุ่นต่อไปนะอย่างที่4ีภิกษุที่เป็นเถระแล้วเนี่ยคือบวชนานสิปีขึ้นไปต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมปราความเพียร ให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรลุนะก็คือพระที่บทนานแล้วเป็นเทระแล้วเนี่ยจะต้องขยันปาลบความเปลี่ยนเดินจงกลมนั่งสมาธิเพื่อให้บรรลุธรรมตามที่พระาศาสนาบัญญัตินะอันนี้คือสีข้อของความเจริญาศาสนานั้นตรงนี้เราก็เท่ากับเราได้ทําในข้อที่หนะึ่งะข้อแรกเลยนะความเจริญของพระาศาสนาซึ่งทุกวันนี้เนี่ยหนังสือพุทธวจนะเนี่ยยมดูได้เลยว่าหาแทบไม่ได้ในประเทศไทยนะ นั้นเราต้องพยายามเผยแผ่คำสอนศาสดาให้มากนะเพื่อทุกคนจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องในการนำไปศึกษาแนละประพฤติปฏิบัตนะิเพราะว่าความแก่เจ็บตายนั้นไม่มีใครช่วยกันได้พระศาสนาบอกทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองตามทํามไร้วินัยที่พระองค์บัญญัติไว้ความจเจริญในทางโลกความจเจริญในทางธรรมก็ตามพระองค์บอกสอนไว้เสร็จว่าจเจริญทางโลกจะต้องทาอย่างไร หากินโดยเป็นธรรมไม่เครียดคัดทําตนให้เป็นสุขอิ่มหนําแบ่งปันพกกรพซับําเพ็ญบุญไม่กําหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพกทระซับเหล่านั้นเรามีรถมีบ้านมีอะไรก็มีได้แต่มีด้วยการไม่ยึดถือนะมีด้วยปัญญาที่เห็นความเสื่อมของมันเห็นความไม่เที่ยงสิ่งที่เรามีก็จะไม่สร้างทุกข์ให้ให้กับเราอย่างนีนะ้ความเป็นกาละวะชั้นเลิศหรือการมีโพกกระซับนั้นเนี่ย เหตุปัจจัยก็จะเป็นเรื่องของทานนะเรื่องของธรรมะความขมใจเรื่องของสัญญะการสำรวมระวังนะนี่ก็อีกสามเหตุปัจจัยเหมือนกันนะที่ถ้าใครมีแล้วเนี่ยเกิดพบใดก็จะไม่ตกต่ำนะอะอ่าเห็นผลบุญชาตินี้หรือชาติต่อไปยังไม่อืมอืมอืมอืมก็ เรื่องของวิบากของกรรมเนี่ยกรรมนี้จะมี <c oughs> วิบากที่ส่งผลในปัจจุบันในปัจจุบันจะซอยย่อยออกเป็นปัจจุบันในทิฏฐธรรมคือในทันทีทันใดและอุปปัชชะเวลาถัดมาและอัปราป ร, ปรยายาิยยะเวลาถัดมาอีกซึ่งตรงนี้พูะเจ้าจะให้เราเนี่ยวิเคราะห์เรื่องกรรมแค่นี้ว่าจะส่งผลในเวลานี้และถัดมาแล้วก็ถัดมาอีกนะยังไม่แ น, น่แต่ให้ผลแน่นอน <c oughs> เรื่องของทานการให้เนี่ยนอกนอกจากจะส่งผลให้ได้มาซึ่งโพกษะทรัพย์แล้วเนี่ยยังส่งผลให้มีรูปร่างสวยงามมีผิวพรรณงามนะและส่งผลให้บุตรภรยาข้าทาสจรมกรเนี่ยเชื่อฟังคำพูดของตนเองนะนี่คืออนิสงของทานนะนั้นทานไม่ได้ส่งผลแค่โพกะทรัพย์อย่างเดียว ส่งผลถึงเรื่องอื่นด้วยนะอ่าใช่นั้นบางคนอย่างเมื่อวานเขาก็ถามว่าเอ๊ะเขาสงสัยว่าอย่างให้ข้าวเหนียวกับปลาร้าเนี่ยจะได้ข้าวเหนียวกับปลาร้าหรือเปล่านะอ่าให้อะไรที่แบบนั้นอ่าใช่ <c oughs> คือคนจะคิดว่าเอ่อเดี๋ยวทําอันนี้แล้วจะได้อันนี้คือไม่ได้ให้ผลตรงๆเป๊ะๆอย่างนั้นคือจะให้ผลตรงอย่างนั้นด้วยก็ได้แล้วก็แตกรูปออกไปได้ด้วยนะ สิ่งที่แตกลูกออกไปก็คือเนี่ยโภคาัพนะจะเป็นผู้มีโภคค้ามากะอยู่กับเนื้อนาบุญอ่ะถูกต้องอันนั้นคือฝ่ายผู้รับนะอันนี้สงอ น, นสมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับหลายอย่างผู้ให้นะผู้รับทานที่ได้มาด้วย เปิดทิ้งไว้เลยสิยังไม่ต้องปิดนะหมดแล้วค่เปลี่ยนทานใหม่เปิดทิ้งไว้เลย <c oughs> ที่เปิดยากถ้าอาจารย์ตะกี้นี่พระอาจารย์เทศที่โยมไา้ถามเรื่องอานิสงส์บุญ ก, กันนะฮะพระอาจารย์ก็พูดว่าที่ได้เลยเนี่ยคือชานก้าวระดับ โยมน้อยอยากจะถามว่าได้แบบไหนแปดระดับเอาแระดับได้แบบไหนคะพระอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์ฮะโยมน้อยอยากจะนิมนต์พระอาจารย์ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับบุญที่เกิดจากการได้จากการาทําสมาธิแปดระดับค่ะ อ, อนิมนต์พระอาจารย์ที่บานพรศา ส, สดา ป, ปกติเราเคยได้ยินว่า<ม>กําหนักเนี่ยฝ่ายไม่ดีเนี่ยคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระาหารหลานธรรมพระพุทธเจ้าให้ห่อเรือทำสงให้แตกแยกนี่คือกําหนักที่จะส่งผลในปัจจุบัน แต่กำหนักฝ่ายดีเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องนี้นคือการทำสมาธิ8ระดับจะส่งผลในปัจจุบันทันทีเหมือนกันนั้น <c oughs> ถ้าใครต้องการทำกรรมที่จะส่งผลณเวลานี้เดี๋ยวนี้นะจะต้องทำสมาธิทั้ง8ระดับยังได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่างนี้ โทษนะคะพระอาจารย์ผลของการทํานี่คือเราไม่ได้หวังใช่ไหมคะแต่ผลของมันนี่คืออะไรคะหวังก็ได้ไม่หวังก็ได้นะให้เกิดความคล่องตัวหรืออะไรคะพระอาจารย์ได้ทุกเรื่องเลยเออสมาธินี่ได้ทุกเรื่องครอบคุมหมดแต่ระดับก็คือปฐมประชารัฐที่เดียร์ชานะ อ๋กอกายวิจารในเรื่องทานนี่จะมีตัวจาระฆ์ อ, อ, อีกตัวหนึ่งใช่หรับตัวจาระ่านี่จะเอียดกว่าการประทานใช่ครับจาระฆ์เป็นคําที่กว้างอะ่ะนะทาน <c oughs> ทานการให้ก็จะลงไปอีกว่าให้อะไรให้อย่างไงนะจะมีการลงรายละเลอียดไปอีกจาระฆ์ก็จะกว้างกว่านิดนึงน่ ะ, นะเป็นการให้เป็นการเสียสละอย่างนี้ โยมยศสวัสดเข้าวัดบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยมีอะไรดนใจหรือคะอีกหน่อยอีกหน่อยอาจจะเข้าบ่อยขึ้นเนาะ ว่างๆมานั่งสมาธิก็ได้นะนะบอกบุญกันต่อ ไม่ดังเหรอไฟแดงไฟเขียวขึ้นมะเขียวขึ้นแต่ต้องพูดพูดตรงๆมันเป็นไมยแบบรับเสียงช่องทางเดียวไม่ไม่ได้รอบตัวพระเจ้าขออากาศนะครับมีพระสูตรที่ว่าดูก่อนพิสูดทั้งหลายอริยา <c oughs> สาวกในธรรมวิ น, นัยนี้กระทานิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้ได้สมาธิ อันนี้คือกระทํานิพพานให้เป็นอารมณ์นี่หมายถึงไงครับพ่อใหญ่อ๋อตัวตัวนี้ยากตัวนี้คนต้องได้สมาธิทุกระดับเลยถึงจะทํานิพพานเป็นอารมณ์ได้เพราะถ้าไปดูในพระสูตรนี้เนี่ยคนนี้จะได้อันนี้นี่นี่นีนี่นี่มาแล้วไล่มาหลายอันเลยทีนี้ผมก็สงสัยว่าปกติแล้วนิพพานเนี่ยวิญญาณไม่สามารถเข้าไปรู้ได้อีนี้ทํานิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยวิญญาณน่าจะเข้าไปรู้ได้ไม่ไม่ ไม่ใช่ <c oughs> จะเหมือนกับที่ผู้เจ้าบอกว่าเมื่อเธอเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าไงแล้วก็น้อมติดไปสู่อมาตะธาตุเนี่ยว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นประณีตนั่นเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารนั่งปวงอ่าเป็นความดับเป็นนิพพานอย่างเงี้ยอนีน้อมไปเนี่ยเพราะว่าสภาวะเดิมของตัวเองมีอยู่แล้วสภาวะนิพพานมีอยู่แล้วะก็คือน้อมกลับไปสู่สภาวะเดิมตัวเองไม่ไม่ใช่ว่าเป็นของไม่มีน่ะ เพียงแต่สลัดคืนซึ่งซึ่ ง, งอุปทิความยึดมั่นในฝั่งนี้คือฝั่งของสังขตะนะแล้วแล้วทีนี้มีบางพสูตรบอกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ไม่ได้สมาธิครับพระอาจารย์อ่ะฮะอันนี้ก็ยังงงว่าทําไมถึงไม่ได้สมาธิอันนั้นตัวนั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นไม่ใช่หรือครับว่าเขาเนี่ยได้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะถ้าอันเนี้ยที่อยู่ใน ของท่านุู้ท่านเนี่ยจะมีอยู่สองพสูตรนะซึ่งจะบอกซึ่งจะบอกรายละเอียดามามาก่อนเนี่ย<อ>นั่นก็คือคนนั้นเนี่ยจะได้สมาธิหลายระดับมาแล้วนั้นถ้าคนยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแล้วจะเป็นน้อมนิพันมันน้อมไม่ออกนึกไม่ออกอย่างเนี้ยแต่ถ้าเขาได้มาหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยเขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่<อ>เขาถึงจะน้อมจิตไปสู่สภาวะนั้ น, น, นได้ก็<อ>คือต้อ ง, ต, องต้องได้สมาธิ ถึงเก้าระดับเลยแทบ<ช>ทุกระดับมารู้จักคือรู้จักหมดนะ่ะเพราะนั้นตัวนี้พระเจ้าจะบรรยายแทบทุกอันมาเลยนะขอบพระคุณครับ <c oughs> ขอการ์ด <c oughs> ครับนะฮะอ๋ออ๋ออออ๋โอเ ค, อ, เ ค, อ, เคอ๋อใช้โซดาบันเล่มนี้ได้นะอ่าคุณโยมเดี๋ยวมอบหนังสือสิบเล่มให้นะอ่าพอดีพะดีโสดาบัน หมดก็เลยเอาโสดาบันเวอร์ชั่นเก่าให้นะในชุดนี้จะมีอยู่สิบเล่มขาดเล่มที่สองพอดีกำลังสั่งพิมพ์อยู่พอดีอสั่งพิมพ์ไปแสนเล่มนะมใช่ใช่ชก็คณะเดียวกันหรือลคณให้สองชุดใช่มอ้ออ๋อให้อ๋ออให้กับอีกชุดหนึ่งได้เยอะอ๋อ <c oughs> แสดงว่ายังไม่เคยมาอมอ่าไมมต้งีพก็คือพระเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าผิดนะการรับเนี่ยรับมือต่อมือก็ได้มีผ้าก็ได้มือต่อมือก็ได้ตัดกระเป้าบาลีว่าเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยกายเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยของเรื่องด้วยกายก็ได้เขารับ เขาให้ด้วยของนึงด้วยการเรารับด้วยการเขาให้ด้วยของนึกด้วยการเราก็รับด้วยของนึด้วยการได้สี่อย่างอย่างที่ห้าเนยโยนยให้อ๋ออะมีถุงไม่ใส่ถุงพูดทวจะนะกระเป๋ากระเป๋าอย่างนี้ก็มีนะรู้ทวจรณะที่ต้องบริจาคอันนะี้แต่แต่อันนี้พอๆกัน นี่มาไปเพ้นเพิ่มนะนั่นนะสวยเพิ่มนะจ๊ะี่ที่ทอเอกจหน่ายมูนิีมนิสารต้ามลูกศิษย์ค่ะลูกิ์ะได้ทวัดค่ะสยังรวยวมีท้รเลยนะคอันนพิเศษิ่ะ เรารับบททุกปีชาซื้อซื้อชานอลใบหนึ่งไอ้นี่ได้ร้อยใบได้ประมาณนี้แล้วที่ที่ที่ได้ดีก็คือได้เผยแผ่พุทธทาสนา่ะขาซือขอการวจารย์ที่นิพพานเป็นอารมณ์มุนติกีเนี่ยครับโสติกี้เนี่ยเอาไปเชื่อมกับที่ว่าสันติการนิพพานได้ไหมครับ นั่นก็เราก็เห็นนิพพานดับเป็นระยะอ๋อไม่ไม่มันคนละอันกันถ้าสันติสิการนิพพานก็ต้องน้อมไปตัวสุดท้ายของสันติสิการนิพพานเลยอ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่า มีหมวกะไ้ได้ทั้งหมดไม่หักีต้นทุนใช่หมคะทาา่ก็ไม่หักต้นทุนะได้ทั้งหมดนี่หดีจ้ามานท่านนี้เลยค่ะขอหนังแ้ค่ะหนังแ้คือไม่ไม่ไม่ไม่คืนต้นทุนนะคะาทั้งหมดทั้งหนังแ้โตรร่นี้วมีหมวกได้เหรอไรตีก็ไปใช้ได้ น่น้อะแต่รยจังเลยนี่สีขาใชมเลยาว่างกเอาสีขาว้ตาลต้องเกานวยมากเลย่นตายังมีอีกเงตาดีกว่าเล้ยงมรัหมดเลยล ออกแบบเองออกแบบเองทั้งหมดดีไซน์เองราบุทุกอย่างค่ะฟรีแฮนด์ฟรีแฮนด์หนัือาดจำนวนจีรเล่นไดยังไงคะคุณนหนังสือนี่มันไ้นหนังสือที่มาแจกญาติโยมเนี่ยค่ะมันก็อ่ค่ะเปอ่ค่ะพี่พี่น้องอพจันอ๋อหนังสือที่รวมทั้งหมดเลยรวมทั้งหมด้านหนังสือพูนหนังสือนี่คือรวมทั้งหมดนะที่ที่เวลาคนมาในพระจัร์ ก็หนังสือที่แจกทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เราพิมพ์หนังสืออยู่สองสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มชุดเล็กเล่มเล็กๆที่เรารับกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เล่มใหญ่คือพุทธวจนะสาเล่มที่ระดมทุนอยู่อย่างเงี้ยแค่นั้นอ่าคือทั้งหมดเลยเอาลงไปได้ได้ก็เดี๋ยวจะจัดแยกให้ได้ล่าหนังสือเล่มใหญ่นี้ได้ถี่เล่มแล้วสบายตอนนี้ได้ ประมาณ3ล้านเศษค่ะ3ล้านเศษเล่มใหญ่สมล้านเล่มค่ะล้านเศษเล่มใหญ่สาล้านบาทตอนนี้ตอนนี้กำลังรอรอรอผู้ใจดูนีกท่านหนึ่งจะพยายามหายอดมาปิดให้ได้ที่เหลือ20กว่าล้านนะคะอ๋อหยี่สิอกล้านเล่มใหญ่ด๋ยเดี๋ยวมีนน เล่นนี่คือทั้งหมดของเรานี่ยกว่าล้านคือคืออย่างนี้ค่ะพี่พี่น้อย33มสิามเล่นมนะคะใน1เล่มเนี่ยเราต้องพิมพ์สองพันชุดซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 800,000 เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้อยู่ประมาณจริงถ้าว่าถ้าเกิดเราได้3ล้านสองก็หมายความว่าเราเสร็จแล้วสี่เล่มยังขาดอี่สิบเก้ายี่สิบก29คูณ0 0 0แสนยี่สิบกว่าล้านพระอาจารย์ก็คือโครงการของเราคือตั้งใจทําให้เสร็จเร็วที่สุดใช่ค่ะพี่ อก็ความพี่น้อยช่วยนั่งสมาธิความเร็วของผู้ทํางานประมาณปีละหกเล่มแต่เว้นเว้นว่าจะมีอาสาสมัครมาเพิ่มเนี่ยถ้าอาสาสมัครมีมาเพิ่มช่วยปลุ๊กหนังสือตรวจก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็มีอาสาสมัครเข้ามาเรื่อยๆ ขออญาเตเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับคือตอนนี้ทางเราก็ต้องการส า, าสมัครเพิ่มพอดีผมก็เป็นสาสมัครคนนึ่งเลยคแต่ปรากฏว่าไม่พอฮะเพราะว่าเราต้องการหนังสือนี้ทั้งหมด33เล่มนะครับเสร็จแล้ว3 3เล่มในเล่มละ400บาทนะฮะชุดหนึงก็ประมาณ14าต้องการพิมพ์ 2,000 เล่มก็20ล้านบาทฮะตอนนี้มีประมาณ2ล้านกว่าบาทก็เพิ่มไป3 ล, าล้3ลานแล้วเพิ่มไปอีก500 0 0นย์เนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็ยังขาดอีกเยอะนะฮะเพราะนั้นช่วยกระจายข่าวก็เรียว่าต้องการปัจจััยยออีกเะะนครบ แต่ผมก็จะช่วยทางด้านการตรวจหนังสือให้ยิ่งขึ้นาานะครับอย่างตอนนี้เร า, <อ>าเราพิมพ์เล่มเล็กนี่ก็แสนแสนเล่มก็ล้านล้านกว่าบาทอเนี่ยก็ตอนนี้สํานักนายกก็มาร่วมพิมพ์กับเราด้วยอีกอส่วนหนึ่งประมาณสองพันเล่มไอ้สองพันชุดก็<า>ได้สมทบมาเรื่อยๆแต่แต่อันนี้สองพันชุดเนี่ยเขาจะแจกผู้บริหารทั่วประเทศ นะอ่าของเขาคือเขาพอไปหมดหนังสือพระอาจารย์ทํกล่าว่าจะแจกยังไงคะผู้ดูวจนนั้นส่อันนี้ก็แจกเรื่อยๆเวลาไปบรรยายทําที่ไหนก็แจกตลอดอแล้วก็ญาติโยมที่มาที่วัดก็แจกตลอดอย่างเี้อืองแจกเป็นชุดเลยเป็นเล่มหนงมสองแล้วแต่อ่าแจกเป็นเล่มแจกเป็นเล่มๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วแต่เหตุว่าว่าเราไปบรรยายที่นั่นอ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ไปบรรยายเรื่องกา ร, รมก็เอาเรื่องแก้กรรมไปบรรยายเรื่องโสดาบันก็เอาเรื่องโสดาบันไปนะหรือว่าบรรยายให้กับกลุ่มคนที่เพิ่งเบื้องต้นเราก็จะเอาพวกปฐมธรรมตามรอยธรรมก้าวย่างอย่างพุทธะไปแจกอย่างเงี้ยดูดูว่าเข า, เาสนใจเรื่องใดแล้วก็มี เ, เหตุ ป, ปัจจัยในการรับรู้ขนาดไหนอย่างเงี้ยก็จะเอาให้เหมาะสมกับนั้นเพราะว่าในสิบเล่มเนี่ยจะมีทั้งยากทั้งง่ายอยู่ในนั้นค้าเข้ า, ขากัน แล้วก็จะมีเจาะเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุ่มอย่างนี้ <c oughs> <laughs> สมศกดแห่คันเลน่ากลัวมากเลยค่ะพระอาจารย์เลม่น่ารัน่กแด่อกแดนถ้าออกแบบสวยอยู่นะ อาจารย์ที่เขอกาศค่ะแล้อาจารย์คนที่มีมีโพกซัพย์มากเว้ยพูดง่ายๆว่าเป็นคนรวยในปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าชาติที่แล้วเขาต้องทําทานมาดีก็ต้องทําทานมาดีเหมือนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องสร้างเหตุปัจจัยเก่ามาดีไงเพราะฉั้นคุณจะทำเพราะฉะนั้นผลคาข้างหน้าที่เราจะต้องเข้าสู่อายะบุคคลเนี่ยเราควรทําทานเอาไว้เก็บเป็นเสบียงเอาไว้ก่อนดีใช่ไหมคะอาจารย์ทานทานเป็นเหตุให้ ให้ชีวิตสะดวกขึ้นในภพนั้นๆั้นเหมือนอย่างถ้าเราผิดศีลแต่เราทําทานมากเนี่ยผู้เจ้าบอกจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานยมเป็นเดรัจฉานยมก็สบายเป็นเดรัจฉานแบบสบายเนี<ม>่ยเพราะผลของทานไง<ม>ใช่ไหมมันก็ทําให้การเวียนว่ายในวัฏฏะเราเนี่ยอยู่ด้วยความสะดวกหน่อยอ่าเป็นสุนัขอยู่บ้านเศรษฐีก็สบายนิดนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราก็จะเป็นพูดง่ายว่าเกิดอยู่ในตระกูล ที่เป็นคนรวยที่เป็นคนรวยอตอนนี้ เ, เรื่องของทานเนี่ยจะมีที่พระองค์บอกว่าจิตที่ตระณีเกินไปยากที่จะเข้ามรรคผลนะอันนี้ก็อีกมุมหนึง่งนะเพราะฉะนั้นการที่คนคนนั้นมีการให้ทานเนี่ยนะก็ชื่อว่ามีการละความตรนีคือเจตนาเขาเนี่ยจะต้องฝึกต้องมีเจตนาที่จะละความตรณีตรณีด้วยนะและความตรณีเนี่ยยังได้นิสงส์อีกอย่า ง, นงหนึ่งคือเพื่อเป็นไปเพื่อการได้เกรติศักิ์อันใหญ่ น, น, นัยนิสงฆ่าประการของการที่นักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดผู้นั้นจะได้อ น, นิสงฆ่าประการนะก็คือการที่เข้าเลื่อมสายเนี่ยจะเป็นไปเพื่อสุปติโลกสวรรค์<อ>การที่เข้าลุกลับหลับว่าให้สนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการที<ไ>่เข้<ไ>าลากความตรรรย์อันเป็นมนทินในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนผู้ใดเป็นเ พ, เพื่อการได้เกติศักันใหญ่การที<แ>่เขาจำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไปเพื่อการได้โพค้านใหญ่ การที่เขาได้ฟังธรรมในหน้าปวดผู้มีศีลก็เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่นี่อันนี้สองห้าประการดต้องทำแต่ความดีอย่างเดียวนะฮะอ่าอันนี้ก็ เ, เราก็ถือเอาคำพระาศาสดาเป็นที่ยุติไงว่าพระาศาสดาเนี่ยพูดยังไงเนี่ยนะก็คือเป็นคำตรงคำจริงเพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องในโลกนะไม่ไม่เอาความเห็นของใคร น uh huh. ั้นที่บอกให้โยมก็คือเป็นพุทธวจนะเป็นก็สูตรที่พระองค์ไ UH ด้ตัดเอาไว้นะฮะมาขั้นแรกเหรอ ลูกมาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็ได้เพิ่งรู้คำว่าพุทธวจนะนะเจ้าคะวันนี้มีคนแรกหลายคน <laughs> <Wow. S 2> ทีนี้ลูกก็อยากจะศึกษานะคะคำถามลูกสองข้อนะเจ้าคะ Har ถ้าลูกต้องถือสินห้าเจ้าค่ะปกติลูกถือสิน8ปทุกวันพระใช่ไหมคะ <error. S 2> แล้วถ้าลูกถือสินห <stick> ้าคำว่าข้อหนึ่งะคะที่บอกว่าห้ามฆ่าสัตว ลูกจะต้องกินมังสวิรัตโดยที่ไม่กินเนื้อสัตว์หรือเปล่าแล้วเจ้าคะอ๋อไม่ใช่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติโยมไม่ฆ่าสัตว์ก็คือจบแล้วหมายถึงเราเจาะจงตัวนี้ตัวนี้นั้นไม่ได้ใช่ไหมเจ้าการเจาะจงอีกประเด็นหนึ่งนะถ้าโยมชี้ว่าสัตว์ชื่อนี้จงมาตายตัวนี้จงมาตายอันนี้เป็นเรื่องของการฆ่าสัตว์เพราะโยมไปชี้ผู้เจ้าบอกถ้าเธอไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกตว่าเขาฆ่าเพื่อเราทานได้ตามปกติขอบคุณเจ้าค่ะ ข้อที่สองนะเจ้าคะการที่เราได้นั่งสมาธิแล้วเราได้กุศลเดี๋ยวนั้นเป็นทอดทอดไปว่าจะเดี๋ยวนี้หรือนายอนาคตแต่ลูกสงสัยนิดนึงว่าทุกคนมีปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วตรงนี้เขาจะได้กุศลจากที่เราได้นั่งสมาธิบ้างหรือเปล่าคะเพราะว่าปกติแล้วลูกก็ปฏิบัต ในสิ่งที่เขาเรียกว่ า, าถือเทพถืออะไรบ้างทุกคนก็คงคุงผ่านมาในชีวิตนะเจ้าคะคือ ก, ก็ไม่ได้ผลตามตามนั้นแต่ก็จะรู้สึกว่าพุทธวจนะให้เรานั่งสมาธิแล้วดูลมหายใจของเราก็เริ่มมาฝึกหลังจากที่ได้ได้รู้จากเพื่อนนะนะเจ้าคะถึงมาที่นี่ครั้งนี้ครั้งแรกก็เลยสงสัยว่าไอ้ที่เราตรวจน้ำทาบุญตรวจน้าให้กับปู่ย่าตายายทุกครั้งเนี่ย เขาได้หรือไม่ได้เราก็ไม่รู้แต่ในการที่เราจะมานั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ทราบ ว, ว่าปู่ย่าตายายหรือ พ, พ่อแม่พี่น้องที่เสียไปแล้วนี่ได้ไหมเจ้าคะหลายประเด็นมากหลายประเด็นมากเอาทีเราประเด็นนะเรื่องกวดน้ําเนี่ยผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติ น, นี่อันหนึ่งน ะ, ะผู้เจ้าบัญญัติการอุทิศบุญกุศลนะบัญญัติอยู่เป็นเรื่องของที่ลูกเนี่ยควรทําต่อบิดามารดานะหรือญาติผู้ล่วงลับนะ สำเร็จที่ไหนพระาศาสดาบอกสำเร็จที่เจตน า, านะท่านี้ตั้งเจตนาสำเร็จที่เจตนาแล้วต้องวางเจตนาด้วยจิตระดับไหนระดับที่ปัสาจาักนิวรณ์นะเข้าใาจไหมปัสจักนิวรณ์ค<ต>ือะอะไรนะเจ้าคะ่ะนิวรณ์นะอ่านิวรณ์ห้ามี5อย่างหงกรรมฉันทะความคิดในความพอใจในรูปเสียงกินรสนะพยบาทถีมันถีนมิทะความงุ่งเงาหอนอนอุทจจะ ความฟุ้งซ่านวิจิกจชาความสงสัยลังเลในใจหมดห้าเรื่องเนี่ยเป็นจิตที่พร้อมที่จะแผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศลและให้เราตั้งเจตนาส่วนถ้าเราไม่ตั้งเจตนาอยู่ที่เขาเนี่ยระลึกถึงเราได้หรือเปล่าพู <c oughs> นะเจ้าบอกว่าถ้าลูกหลานของเรามาบวชเนี่ยแล้วลูกหลานเนี่ยประพฤติปฏิบัติ ด, ดี <c oughs> เพียงแต่พ่อแม่ระลึกถึงเนี่ยนี่ก็ได้อ น, นิสงส์แล้ว <c oughs> นะอ่า อันนี้สงจากการใช่ระลึกในบุญกุศลว่าเออลูกเราได้มาบวชนะเป็นพระนะได้ประพฤติปฏิบัติดีตั้งใจดีเขาจะเกิดปิติไงเกิดปิติเกิดความสุขอันนั้นเป็นอารมณ์เพื่อสุปติโลกสวรรค์ใช่นั้นในกรณีที่โยมไม่ได้ตั้งเจตนาอุทิศบุญให้เขาเนี่ยอยู่ที่เขาเนี่ยระลึกถึงโยมได้หรือเปล่าถ้าโยมทำสมาธิรักษาศีลอยู่นะอย่างนี้สาธุเจ้าค่ะ ถ้าอย่างนั้นโสดาบันก็ทีส่ส่วนกุศลได้ถึงเลยเลยใช่ไหมถ้าได้ถ้าได้โสดาบันสมบูรณ<ห>์กุศลจิตนมีอกุศล โ, โสดาบันจิตก็ยังมี อ, อกุศลนะเพียงแต่โสดาบันมี อ, อกุศลที่ไม่เป็นไปเพื่ออบายแต่หน้าขนาด จ, จิตนั้นอาจจะยังไม่ปราศจาก อ, อกุศลโสดาบันก็ต้องทําปฐมฌานให้นะปฐมฌาน<อ>ยังไงก็ต้องปฐมฌานอากุศลสามอย่างถ้าจําง่ายๆก็คือการพยาบาทเบียดเบียนนะอสามอย่าง เชอสนใจอยาก <c oughs> จะนั่งสมาธิค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะค่ะอ่านั่งรู้ลมหายใจเฉยๆอนาปาณสติผู้เจ้าบอกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทําแค่นี้พอแล้วไม่ไม่ต้องมีคําพูดอะไรในใจไม่ต้องไปให้อยู่ที่จมูกหนะ้าอกท้องอะไรไม่ได้บัญญัติเอาไว้รู้แค่ว่าจิตเราเนี่ยอยู่กระลมที่ไหลเข้าไหลออกแค่นั้นเอง เวลาจิตเคลื่อนออกไปปั๊บเนี่ยให้รักความเพลินแล้วเอาจิตมารู้ลมเฉยเคลื่อนปั๊บรักความเพลินเอาจิตรูล้ลมทําแค่นี้อย่างต้องนั่งเป็นเรื่องเป็นราวสมาธิหรือทําตอนไหนก็ได้ครับเมื่อจิตตอนไหนก็นกได้พระศาสดาบอกว่าพิสุแม่นอนอยู่แต่ถ้ารูล้ลมหายใจทิ้งความคิดอยู่เนี่ยก็ชื่อว่าปาลบความเพียรเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาจะยืนเดินนั่งนอนได้หมดทุกท่าเป็นความเพียรทางจิตเอาจิตมาปรารบความเพียร พระอาจารย์สอนยอดเลยคะสอนจิตเลยวนเดียววนเดียววนเดียวจบืบจบบจบห้ามาคิดสิ่งที่เป็นอกุศลใช่ครับมจะคิดคือไม่จะหไปหคิดเรื่องอะไรก็คือว่าองมายู่กับลหายใจกลับมาอยู่กับลมหายใจคือความคิดของคนเราเนี่ยต้องต้องทิ้งทั้งหมดนะความคิดคนเราต้องทิ้งทั้งหมดแต่ถ้ายังทิ้งไม่ได้เนี่ยให้ทิ้งอกุศลก่อน เรียกว่ามารรคมีมองค์แข้อที่2คือสัมมาสังกัปปะนั้นสัมมาสังกัปปะในมรรคมีมองค์แเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเธอนั้นเนี่ยละความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าเธอนั้นเพียรเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาเป็นคนขยันปราลบความเพียรในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดแต่เราก็คิดเรื่องอื่นได้คิดได้ทุกเรื่องจะทําการงานทํากุศลเรื่องอะไรก็คิดได้แต่พออกุศลเกิดปุ๊กริบทิ้งเพราะอะไรเพราะอากุศลเป็นเหตุหให้เราไปอบายมันเป็นอารมณ์ของทุกขติอโยม นั้นเวลามีอักขศนเกิดขึ้นเนี่ยพระาศาสดาจึงบอกว่าขณะนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนไฟไหม้ลุกโผงเสื้อผ้าเราอยู่บุคคลนั้นต้องรีบดับให้เร็วที่สุดนะไม่งั้นไฟจะลุกท่วมตัวนะเพราะถ้าโยองตายไปในขณะนั้นปั๊บเนี่ยนั่นคือภพอันเป็นอบายของเราแล้วนะมันจะเร็วมากนะพเพราะภพนี่จะหมายถึงจิตที่เข้าไปเกาะรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างมันจะวนเกาะ อ, อยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่คือธรรมชาติของจิตที่พระเจ้าเนี่ยเข้าไปเห็นเข้าไปสังเกต ซึ่งทุกคนเนี่ยมานั่งสมาธิเนี่ยเพื่อสังเกตระบบของจิตนี่เองว่าจิตเนี่ยทางานยังไงเข้าไปเกาะนี้เก่อนนี้ก่อน น, อ น, นี้เมื่อรู้ว่ามันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเนี่ยเราจะปล่อยวางมันไดว้ว่ามันเนี่ยไม่ใช่เราเราจะเกิดปัญญาตรงนี้ว่าเออจิตก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราแล้วทีนี้ถ้ากายหรือจิตเสื่อมสลายหรือเป็นอะไรไปเราก็จะไม่ทุกข์เพราะมันอย่างเงี้ยอถอนความทุกข์ออกมาได้เข้าใจนะอ่า ประเด็นอื่นมีไหมน่เดี๋ยวอันนี้ยังตอบไม่จบอันนี้ก็ถามว่าที่ว่านั่งสมาธิครั้งเดียวมีนิสงมากกว่ารักษาศีลร้อยครั้งจะต้องเป็นสมาธิระดับไหนอย่างไรขอคระเมตตาพระอาจารย์ชี้แจงเหตุผลอันเป็นรูปธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกระดับของสมาธิตรงนี้แต่ถ้าเราดูว่าสมาธิแค่ไหนอย่างไร แค่ปฐมฌานจิตและอกุศลได้ก็เป็นไปพร้อมพื้นนิพพานได้แล้วก็เหลือเฟือแล้วนะสมาธิทั้งเก้าระดับใช้ในการหลุดพ้นได้ทั้งหมดนันแล้วแต่กำลังใครจะเข้าปฐมฌานใครจะเข้าจาตุตฌานอาการสาแล้วแต่ใช้หลุดพ้นได้หมดการการกำหนดลมหายใจแค่เข้ารู้ออกรู้แค่นี้ก็อุทิศกสศลได้แล้วะหรฮะพอแล้ว เหลือเฟือแล้วและเข้าวิมุตตได้ไม่ใช่แค่อุทิศส่วนกุศลอย่างเดีย e วนะเข้าวิมุตตได้เลยนะแค่นี้แค่นี้เงไหนเนี่ยสาธุเจนเจนเห็นเห็นโยมเมบอกโยมบุญพรจะมาเ่านี้ <c oughs> ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าความแล้วการนั่งสมาธินี่ค่ะเพื่ออุทิศส่วนกุศลเนี่ย อ่าฮ uh huh. เอ่อต้องมีระยะเวลาไหมคะหมายว่าความนั่งนานขนาดไหนฮ ะ, ะอ่าไม่ไม่ต้องนานแค่ไหนชั่วรัดนิ้วมือพระเจ้าบอกแค่ลัดนิ้วมือพูะเจ้าบอกถ้าพิสูจน์เจริญอาณาปานาสิแม้ชั่วการเพ่งรัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินดาิของชาวแว่นแค้นเสียเปล่า จะป่วยกล่าวปยายถึงเมื่อกระทำไม่มากซึ่งอาณาปานาสินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่ขอน้อยน้อยข้อรัดนิ้วมือเนี่ยขอน้อยมากผู้เจ้าขอน้อยมาก <c oughs> <c oughs> น่าจะสละให้ได้ <c oughs> ได้กำลังใจยอ้เลยเวลาฟัง <c oughs> พุทธวจนะพระนอาจารย์คะ Uh huh. จะถามว่าขณะที่เรานั่งสมาธิ <c oughs> เรากําหนดที่ลมหายใจใช่ไหมคะ uh huh. แล้วขณะนั้นจะมีความเจ็บปวดหรือว่ามีเสียงมีอะไรกระทบมานี้เราควรจะตั้งจิตอยู่ที่ไหนคะอ๋ออยู่ที่ลมเหมือนเดิมอย่าสนใจอย่างอื่นแม้แต่เรามีความเจ็บปวดอะไรก็เวลามีความเจ็บปวดก็คือเปลี่ยนอริยบทไปได้โยมนั่งเนี่ยไม่ต้องไปนั่งทนเจ็บทนปวดน ะ, ะเปลี่ยนอริยบทไปไปเดินจมกลมแต่ถ้ามีเสียงผู้เจ้าบอกเสียงเป็นอุปสรรคต่อปฐมฌาน เสียงเป็นอุปสรรคต่อสมาธิเพราะนั้นปล่อยวางเสียงซะอย่าสนใจใช่ไหมขอบคุณค่ะ <c oughs> ตอนนี้สมาธิที่ในครั้งเดียวที่มากกว่าสินร้อยครั้งเนี่ยโยมรักษาสินร้อยครั้งนะ <c oughs> เวลายมนั่งสมาธิแค่นาทีเดียวจิตยังฟุงฟ้งไหมฟุ้งนะ <c oughs> แต่คนที่ทําสมาธิได้แม้ครั้งเดียวเนี่ยจิตตั้งมั่นเนี่ยเราเห็นเกิดดับหลุดพ้นได้เลยนะ จิตจะน้อมไปสู่อมตะธาตุได้เลยทันทีนั้นสมาธิจึงมีอนิสงส์มากกว่าการรักษาสินเป็นร้อยเท่าต้องทำซ้ำ ๆ, ำำๆนี่อนิสงส์ของกร า, ารนั่งสมาธินี่ยครับแต่นี้ก็เห็นเกิดดับอยู่แต่มันก็วางไม่ได้นะครับ อมันเห็นแต่ว่าต้องอรารมณ์มันก็กลับเข้ามาคือนอันนี้ก็ได้ <คำ S 2> น, นิสซัม <คำ S 2> อันนี้ก็เป็นอันทิสงศนะครับศาสดาบอกเปรียบเหมือนนายขมังธนูซ้อมยิงหุ่นฟาง น, นะต้องซ้อมเรื่อยๆโยมต้องซ้อมเรื่อยๆไม่ใช่โยมยิงธนูทีเดียวแล้วเก่งเนี่ยใช่ไหมโยมจะไปลบกับข้าศึกโยมซ้อมกี่เดือนซ้อมเป็นเดือนเป็นปีซ้อมอ่าผู้เจ้าบอกพอซ้อมไปเรื่อยๆปุ๊บเธอก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงไกล ย, ยิงเร็วทําลายหมู่พลอันใหญ่ได้เห็นะ แล้วก็ไปสังเกตในการเกิดดับเนี่ยครับบางครั้งโยมก็ภุมิเครือมากว่า ต, ตัวรองสเตยเราไปตั้งไอ้สังเกตในการเกิดดับหรือว่าเป็นธรรมารลมหรือว่าเป็นสังขารการปรุงแต่งเพราะว่ามันแป๊บเดียวนะครับถ้าแป๊บเดียวก็จะเพลินละเราต้องรีบทิ้งกลับมาที่ลมออา่าะตรงนี้ครับพระอาจารย์แค่เราสังเกตได้ก็พอแล้วส่วนใหญ่เราจะสังเกตที่หลังมันเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นนอะ พอลมมันเกิดขึ้นยาวไปละวพึ่งรู้แล้วก็วางแค่นั้นน่ะแค่พอเราวางปุ๊บเราก็เห็นละไอ้ที่รู้เมื่อกี้มันดับไปแล้วนั่นน่ะเราเห็นการดับละอืมต่อไปมันจะไวขึ้ น, นวางปุ๊บก็กลับไปคิดก็กลับไปเพลินใหม่ก็ ท, ทิ้งที่รู้ทั้งที่คิดว่าไม่เพลินแต่นั้นเป็นอันลมอีกอันแล้ะ<ช>เป็นกายเป็นสังขารไปแล้วใช่ใช่ใชก็คอยทิ้งเรื่อยๆกลับมารู้ลมอีกครั้งหนึ่ง จากกรพสูจนที่ว่าเาวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาหรือว่า uh huh. สัญญาเรามีในสัญญาสัญญาในเราอ uh huh. ไอ้นี่ครับมันละเอียดมากอ uh huh. แล้วมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลา uh huh. ไอ้นี้มันคืออุปท า, านในความยึดของจิตใช่ไหมครับใช่ตัวนี้พี่นายก่ <c oughs> า <c oughs> เห็นรูปเป็น เป็นตนเห็นตนมีในรูปเห็นรูปมีในตนเห็นตนมีในรูปอะไรเนี่ยนะต้องแบบนั่งสมาธิค่อยๆไขขวนเลยนะอ่าอธิบายให้ให้รู้สึกยากต้องตัวตัวของคนนั้นเองเนี่ยต้องทําความเข้าใจเองต้องพยายาม ม, <c oughs> มันก็บางครั้งก็จะเหมือนว่ารู้อยู่บางครั้งก็ เพลินไปกับมันและว uh huh. คือมันมีตลอดเวลาเพราะนั uh ้น huh. จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรคือเราลากความเพลินอย่างเดียวง่ายๆสมมุติว่าเราไม่ต้องพิจาาตรงนี้เลยนะแต่เราลากความเพลินได้ไอตรงนี้จะเข้าใจไปโดยอัตโนมัติจะถูกถอนตัวตนออกไปโดยอัตโนมัตินนั้นแค่โยมแค่โยมลากความเพลินไปลัไปละไปมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอยมได้เร็วเท่ากับพริบตา oh. ผู้เจ้าก็ชม see, อนินทรีย์ภานาชั้นเลิศก็ระดับอนาคามียละเห็นนะอ่า oh. ก็เพราะเราหยิบมาวิธีที่ง่ายมันเลยง่ายไงนี้ง่ายจริงอ่าฮะใช่พระอาจารย์ทาโยมเนาอยากถามว่ามีพระสูตรบอกสูตรสำเร็จไหมคะว่าจะต้องเห็นเกิดดับกี่ครั้งถึงเป็นพระอรหันต์ค่ะไม่มีไม่มีแต่ถ้าโยมทำเต็มหลักตามชาหลักชาคลยาณุโยกนะวันละสิบหกชั่วโมงไม่น่าจะเกินเจ็ดปี ก็ยังดียังไวนะฮะดีกว่าไปเกิดในสังสารวัตรตั้งเยอะใ <c oughs> <c oughs> ช่เพราะ <c oughs> การเตรียมเลยนะเพราะผู้เจ้าให้ทําตั้งแต่หลังฉันไงหลังฉันไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งลาตรีสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มสิบสองชั่วโมงแล้วนะยามสองนอนยามสามตื่นตีสองตื่นเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนกทั่งอรุณขึ้นอีกสี่ชั่วโมงเป็นสิบกชั่วโมง เจ็ดปีแน่นอนพอผู้เจ้าประการเรื่องสติปัฏฐานสีไว้ว่าไม่เกินเจ็ดปีถ้าทำได้เต็มที่ได้เป็นพระอรหันต์แน่นอนถ้าทำกระพ่องกระแพงวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนี้นานไหมคะอาจารย์ลดไปตามเวตาเสวนใครเก่งคณิตศาสตร์คำนวณได้ชาตินี่จะเป็นพู้คนขวายน้อยไหมครับโซดบันเจ็ดชาติหรอ จะเป็นพวกขวนขวายน้อยนะครับก็เนี่ย um ผู้เจ้าถึงไม่ค่อยอยากจะบอกพระสูตรนี้ไ well, ว้ไงที่ภาษาลิบุตรถามเพราะว่าจะทําให้สาวกเกิดความประมาทพยอมบอกโอ้ยโสดาบันเราได้แล้ะก็เลยขวนขวายน้อยเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ตายคาประตูนิพพานนะนะอ๋อมีการโสดาบันได้และขี้เกียจขี้เกียจปล่อยวางก็เลยแงกตรงนั้นเลยไม่ได้นิพพานไงบางคนก็เลยแช่โสดาบันยันตาย นะอ่าบางคนก้าวหน้านะอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ความเพียรความกระตือรือร<ป>้นเพราะฉนั้นผู้เจ้าจึงบอกพระอนุลุทธะว่าให้จํามหาปุริสวิตกข้อที่แปดเอาไว้ภาษาพระอนุลุทธะขาดไปหนึ่งข้อนะคือความไม่เนิ่นช้าอ่าไม่ได้ไม่ได้บอกให้รีบเลยนะแต่บอกว่าอย่าเนิ่นช้านะนะย <laughs> ากขายมากผู้เจ้าจนะเห็นนะมอา่า ยังน้อยเข้าใจว่าด้วยความปัญญาน้อยมาฟังไม่รู้กี่รอบยังจับประเด็นไม่ได้ครั้แรกก็คิดว่าพอได้โสดาบันแล้วมันจะเดินตามขมันเองทดลองของการบรรลุธรรมเองก็เดินเองเหมือนกันแต่ถ้าปล่อยเดินเองโดยไม่ขวนขวายเลยก็จะช้าหน่อยก็เต็มเจดชาติไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนั้นถ้าใครอยากเกิดแล้วเกิดอีกก็สบายๆไปได้นะคะทำทานไม่มากการันตีแน่นอนชาติหน้าเลย อาเรื่องเรื่องของทานเนี่ยจะเป็นเครื่องวัดโสดาบันอีกอันด้วยนะทำไมคะท่านานบวกกับโสตาปรรัญคสีนั่นคือโสดาบันไม่ได้ใจทำว่าทานอันนี้เข้ามาครั้งที่สามอ๋อส่งันเหมือนกันค่ะคื อ, อพระไปเจอพระสูตรที่ <c oughs> เป็นเครื่องวัดโสดาบันอีกอันหนึ่งตัดไว้กับช่างไม้บอกดูก่อนช่างไม้บุคคลใดเนี่ย <c oughs> เขามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีศีลนันทิลักษณ์พระเล่เจ้าแล้วเขามีทานอ่า ม, มีทานการให้<อ>ผู้นั้นแหละคือโสดาบันนะอ่าเพราะฉะนั้นตัวทานนี้ก็ดูแล้วก็คือสําคัญเหมือนกับศีลห้า <c oughs> ทานอย่างเดียวเป็นโสดาบันไม่ได้แต่ทานต้องไปประกบกับโสตาประเดียงกสี สินห้าอย่างเดียวเป็นโสดาบันไม่ได้ต้องไปประกอบกับโสตาปรเรียงคัตสี่เหมือนกันอ่าส่วนโสดาปรเรียงคัตสี่อย่างเดียวโสดาบันไปได้เลยนะ<า>เริ่มใสในพระพุทธพ ร, พระธรรมพระสงฆ์แปล ว, ว่ า, า, าใช่ใพระพรัตนาตารัยโยมจะมั่นคงในพระรัตนาตรัยและอีกพระสูตรหนึ่งที่พระไปเจอเครื่องวัดเสกเสขภูมิภูมิของความเป็นอะไรบุคคล คือเครื่องวัดเสกภูมิเสขะเนี่ยคือใครโสดาบันสกัตาคามีอนาคามีเครื่องวัดเสกภูมิเนี่ยคือคนคนนั้นจะรู้ว่าไม่มีใครแล้วที่แสดงธรรมเลิ่นไปกว่าพระตถาคตมาเขาจะมียานอย่างรู้เลยว่าสมณะพามเหล่าใดก็ตามจะแสดงธรรมละเอียดปราณีตลึกซึ้งเท่าตถาคตนั้นไม่มี อ่าอย่างนี้มันจะจืดไงเวลาโยมอ่านคำพระพุทธเจ้าแล้วโยมไปอ่านคำคนอื่นจืดเลยมันจะจืดเหมือนฟังเทศนอาจารย์พูดซ้ำๆอย่างเก่าแต่ไม่จืดเพราะว่าเป็นคําศรัดธาถ้าคาอัตมาเองจะจืดถ้าอ่านใครเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นซีดีแผ่นเถ้าพูดอย่างเก่าแต่เอ้ะทำไมฟังได้ทำไมยังอยากอ่าฮะอ่าใช่อ่าฮะแล้วใช่ แล้วการฟังจัดสดากับศาสตาโดยตรงกับสาวกที่นํำคาศาสตามาถ่ายทอดได้ในส่งเท่ากันสาธุ่เทาเอเท่ากัน <c oughs> นะได้หลุดทนเหมือนกันไปดูจากพระสูตรที่ตัดกับพระผัดกุณนะผู้เจ้าเนี่ยตัดกับพระผัดกุณะเนี่ยนะว่าเอา่อพระผัดกุณะเนี่ยกําลังป่วยนะบอกว่าภัดกุณะทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะปวดหัวมากเจ็บท้องมากบอกภัดกุณะตั้งใจฟังธทำนะ แสดงทำเสร็จแล้วก็หลีกไปพระนลก็บอกว่าหลังจากพระตถาคตหลีกไปได้ไม่นานพระผาดุณหก็ทําการะลง <c oughs> แต่ชวีวันผ่องใส ย, ยิ่งนัด ก, <c oughs> ก็เลยบอกว่าอานน์ไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเข้าฟังธรรมเนี่ยเขายังละสังโยชน่าไม่ได้แต่หลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยเขาละสังโยชน่าได้แล้วนะก็เลยตัดบอกอ น, นิสงส์หกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําศาสนาก่อนสิ้นชีวิตคําศาสนานะไม่ใช่คําคนอื่นก็เลยมีสองกลุ่ม ในสองกลุ่มเนี่ยจะมีสามลักษณะเหมือนกันกลุ่มแรกเนี่ยถ้าละสังโยชน์ห้าไม่ได้จะละสังโยชน์ห้าได้ได้เป็นอนาคามีบุคคลถ้าใครละสังโยชน์ห้าได้แล้วจะได้เป็นพระลันในสามกลุ่มนี้จะมีสมในสองกลุ่มนี้จะมีสามลักษณะหนึ่งได้ฟังจากพระศาสดาโดยตรงสองได้ฟังจากสาวกที่นำำําคําศาสดามาถ่ายทอดสามตัวเองระลึกถึงบทแห่งธรรมพระศาสดาได้เองนะนี่จึงเป็นแง่มุมที่เราเห็นทําให้เราเห็นว่า แม้จะเป็นสาวกเอาคําศาสดามาถ่ายทอดจะได้ใ น, นสงฆ์เท่ากัน <c oughs> เพนะราะฉะนั้นโยมอ่านพุทธวจนะคําพระาศราสดาเนี่ยไม่เสียหลายนะได้ประโยชน์สูงสุดนะนประโยชน์สูงสุดเพราะว่าคําศาสดาเนี่ยตันกลองมาจากสมาธิของพระาศราสดาทุกคำ<ม>นะอ่าคือพระองค์กําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดและถ้อยคําพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันและคําพระองค์เป็นอักาลิโกใช้ได้ตลอดการเป็นทันพันปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาการจิตมนุษย์เป็นยังไงใน 2,000 กว่าปีปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นจิตยังวนอยู่ในขันทั้ง4เหมือนเดิมมนุษย์จะมีผัสสะแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเหมือนเดิมทุกอย่างนี่คือความเป็นอากาลิโกนะ้และคํานี้จะถูกเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารศาสนีหมายถึงคําพูดคําบอกที่ประกอบด้วยปฏิหารซึ่งพระาศราสดาบอกว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่าคําพูดมีปฏิหาร ปาฏิหารคือตัวคำพูดเรามักจะมองไปว่าอิทธิปาฏิหารแสดงลิบได้ดูจิตได้กำหนดจิตคนนั้นคนนี้แต่มองไม่ออกว่าคำพูดเนี่ยที่เป็นปาฏิหารมันมีซึ่งเมื่อคนฟังแล้วเอาไปไข้ควรปฏิบัติตามเนี่ยจะหลุดพ้นจากความตายได้นะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใครนอนพังหน้าพัง้านะโยมนะเอาคําพุทธเจ้าไปฟังเลยใช่ไม่ไม่ยังไม่เจอก็เป็นเสียงของพระอาจารย์แต่ถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าเหมือกันโสุดยอดเพราะว่าเรา copy คำพระพุทธเจ้าพูดไปไงโะ้อืมเหมือนอยู่พุทธการคนลุกติ๊ดค่ะติ๊ดติ๊ดค่ยี่งโยมไม่ห่วงแล้ววันตายอ่าเราได้เคล็ดลับแล้วได้เคล็ดลับแล้วอ่างั้นใครมีญาติกาลังใกล้เสียชีวิตหรือนอนป่วยอยู่เนี่ยให้เข้าฟังพุทธวจนะโยมจะได้นิสสงตรงนี้ ที่จัดกับพระผัดคุณน ะ, นนะอนลนนะ <c oughs> และโยม อ, อ, อ, อย่าไปคิดว่าคนมีอาการเจ็บป่วยแล้วจะรู้ทําไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นพระผัดคุณะเนี่ยปวดแบบทนไม่ไหวเลยบรรยายบอกว่าสมองเนี่ยเหมือนมีใครเอามีดโกนมากรีดเหมือนมีใครเอาเชือกมาบิดขมับนะอ่าในไส้เนี่ยเหมือนมีใครเอามีดมาปาดไส้ไปบรรยายความเจ็บปวดให้ผู้เจ้าบอก oh, โหเหลือคณานับเลยผู้เจ้าบอกตั้งใจฟังทำ ไม่ต้องสนใจหลายตั้งใจฟังธรรมนี่เอาแค่นี้ให้เขาได้ฟังธรรมพระศาสดาเจอะดีไอยู่บ้าง่อบมีซีดีพระอาจารย์ไมได้อยู่ใครประเทศฮะพระอาจารย์สำหรับผู้ใหม่ค่ะสำหรับที่เขาฟังธรรมเนี่ยนะคะพระอาจารย์จะเมตตาที่บอกการที่การรับิสำหรับผู้ใหม่ก็ รู้ลมหายใจเนี่ยโยมมาตรฐานที่สุดแล้วนะผู้เจ้าสอนอีกอย่างว่าวิธีวางจิตก่อนตายบอกเธอจงมีสติและสัมปัตชัญญารอคอยการตายเวลาใครมีเหตุใกล้จะตายอยู่กับลมหายใจเขาไว้ไม่ต้องทำอะไรอยู่กับลมเข้าลมออกแค่นี้ผู้เจ้าบอกว่าเทําทำเท่านี้พอแล้วรู้ลมหายใจจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต น, นี่เราได้เคล็ดลับไปหลายเคล็ดลับแล้ว น, นั่นเอง อ่า <c oughs> สบายๆนะไ ม, ไม่ต้องกังวลเพราะว่าถึงเขาจะอยู่ถึงเขาจะตายเนี่ยคือครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวอยู่อย่างนั้นนะใช่ไหมอ่า <c oughs> ใช่ใช่ ปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองละมัวไปน้นาทีนั้นอย่าหังวลเรื่องอื่นอะไม่ได้ต้องฝึกทิ้งตั้งแต่ตอนนี้พระนน <c oughs> อาจารย์คะจับลมนี่พออย่างไรคะสำหรับการนาทีสุดท้ายของการตาย <c oughs> คือคือจิตเนี่ยจะไปสร้างภพจิตจะวนสร้างภพอยู่ตลอดเวลาสีขันนี่เป็นภพ ผู้เจ้าจึงบอกให้เอาจิตมาอยู่กับกายคือลมแล้วละอีกสามภพที่เหลือนั้นถ้าโยมเอาจิตอยู่กับลมได้เนี่ยเท่ากับโยมละสามภพที่เหลือโดยอัตโนมัติเลยเห็นนะถูกต้องไม่ต้องไปสนใ จ, นใจขณะโย ม, ม, มถูกต้องขณะโยมอยู่กับลมโยมละสามขันแล้วเห็นปะอ่าขณะโยมละสามขันนี่นะแล้วอยู่กับลมไปเรื่อยๆนะพอสุดท้ายร่างกายโยมตายใช่ไหม ร่างกายขันนี้รูปขันแตกดับพัววิญญาณเกาะอะไรได้ไหมไม่มีที่เกาะ อ, อ่าแค่ไหนก็ได้แค่ไหนก็ได้แค่ไหนก็ได้ อ, อ่าย้ำหลายๆรอบอ่าอแค่นั้นลมหายใจเข้าออกผู้เจ้าไม่เคยบอกอยาบอกละเอียดนะบอกว่าเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ จะรู้ปิติรู้สุขรู้จิตตสังขารอะไรก็ตามหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพูดแค่นี้เห็นนะทุกขณะมีลมหายใจเพียงพอแล้วนั่นคือยมเกาะกับรูปประคันอย่างเดียวและพอรูปประคันแตกทําลายปั้งผู้เจ้าบอกวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้หลุดพ้นทันทีแค่นี้เองนี่โยมจับเทคนิคผู้เจ้าให้ดูนะให้เข้าใจหลักการไย นะนั้นยังไม่ต้องทำอะไรละนันทีละจิตเกาะกายเข้าไว้อย่างเดียวที่ที่บอกนี้ให้ยมเข้าใจเหตุผลไม่งั้นยมจะไม่เข้าใจเหตุผลไม่ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายเป็นเรื่องของเหตุผลว่าเหตุผลมันหลุดพ้นได้ยังไงเข้าใจไม ส่วนยากง่ายเนี่ยอยู่ที่เราฝึกไงมันจะติดไม่ต้องสนใจยังไงถ้ายมมีลมหายใจอยู่ยมยังไม่ตายรจริงค่ะพะเจาจึงแม้ดูวไม่รู้สึกตัวแต่เรามีมีทัพย์นเชียสใช่ไหมค ะ, ะนคนป่วยหนักนี่เราเห็นแล้วจะโคมา่าแต่จริง <ๆ S 1> เขาเขามีความรู้สึกเขารู้อยู่นะรู้สึกอยู่เพราะนั้นเวลาคนนอนป่วยเนี่ยเห็นเขาไม่รู้เรื่องีงยยมกรอกธรรมะเข้าไปหูได้ยินส่วนใหญ่หูได้ยินทั้งนั้น และขณะที่หูได้ยินตราบใดหูยังได้ยินอนุสาสนีปฏิหารทางานได้ตลอดอะไรนะเครื่องช่วยหายใจเหรอไม่เป็นนะเดี๋ยวไม่เป็ น, นถ้าหูเขายังใช้ได้ให้มีเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเขาก็เข้าใจได้เพราะถ้าสมมติว่าเขามีประสาทรับรู้ลมหายใจไม่ได้เขาก็ไปละความเพลินอย่างเดียวคืออย่าให้จิตสร้างอารมณ์ คนเวลานอนป่วยเนี่ยเพื่อนอาตมานอนหลับมาสี่ปีแล้วไม่ตายแต่พูดอะไรรู้หมดนะกระพริบตาได้อย่างเดียวบอกเข้าใจแล้วกระพริบตา3ามครั้งก็สครั้งถ้าเข้าใจสองครั้งกระพริบตาสองครั้งนะเราก็สอนให้เขาร่าความเพลินจิตเขาคิดอยู่ตลอดอนะโยมหยุดหยุดการคิดหยุดการคิดอยู่กับความนิ่งความว่างนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาอาจจะรู้ลงไม่ได้อีกอันนึงก็คือให้เกาะกับอุเบกขา ความนิ่งนิ่งว่างวงนะอยู่นิ่งนิ่งเฉยเฉยแต่บางคนเขาง่ายนะเขาบอกเขาอยู่นิ่งๆิ่งเขาเนี่ยเขาสบายกว่าเพราะนั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าเราอยู่กับลมง่ายเราอยู่กับลมใครอยู่กับความนิ่งง่ายอยู่ความนิ่งนะ คือถ้าเขายังยังพูดได้เนี่ยยังชื่อว่ามีสัญญาอยู่พุทธเจ้าบอกว่าผลของสัญญาเนี่ยคือคำพูดที่พูดออกมาถ้าคนยังพูดได้นะยังมีสัญญาและยังสอนได้พระพุทธเจ้าบอกท่านสอนไม่ได้เฉพาะสัตว์ที่ไม่มีสัญญาแต่สัตว์ที่ยังมีสัญญาและใจ ย, ยังสอนได้นะมีพวกเนวสัญญาไงพวกที่ได้สมาธิระดับเนวสัญญากับสัญญาเวทนะ อ่าใช่คือในโลกธานเนี้จะถูกเรียกว่าสัตว์หมดสัตว์คืออะไรพระตถาคตบอกว่าผู้ยังติดข้องในขันธ์ทั้งข้าเรียกว่าสัตว์หมด<อ>ใช่พรมก็เรียกว่าสัตว์เทวดาก็สัตว์มนุษย์ก็สัต ว, ว์เพื่อนร่วมเกิดแกเ่เจ็บตายทั้งหมดอรมลูกฟักไม่มีบัญญัติเป็นอัธกถานะอาจารย์คะ อยู่ทําไห น, นเอาะเออเราสอนให้คนเตรียมตายใช่ไหมะ uh huh. ถ้าสมมติว่าคนตายไปแล้วคนอยู่เบื้องหลังยังคิดถึงเขาอยู่ uh huh. เราจะปฏิบัติยังไงเพื่อว่าใจเราจะรู้สึกสบายขึ้นว่า เ, เขาได้รับในบุญที่เราทําไปให้ uh huh. หรือว่าเราจะอยู่ยังไงเพราะว่าจิตเรายังคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะออถ้าจิตเราคิดถึงเขาตลอดเวลาเราก็แผ่เมตตาหรือทิบุญกุศลให้เขาเนะี่ยได้ นะยังไงน ะ, ะก็บุตรชายซึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะค ะ, ะก็คงจะไม่ได้ระลึกถึงคำที่สอนตะกี้นี่นะค ะ, ะเราพรุ่งนี้เราจะลอยอังคารแล้วก็อยากรู้พิธีที่ทำอย่างไรให้เขาได้รับถึงที่สุด อ, อ๋อตั้งจิตเราตั้งจิตเราให้ปาศาัศกากอาุศลก่อน การปฏิบัติเปลี่ยนสามอย่างเนี้ก็คือโยมนั่งรู้ลมหายใจเฉยๆนะแล้วตั้งเจตนาอุทิศบุญกุลหรือแผ่เมตตาให้เขาด้วยการที่บุญที่เราทำเนี่ยนะรักษาศีลการให้ทานการทำสมาธิก็ข อ, อบุญบารมีตรงนี้นะอุทิศให้แก่ลูกของเราที่ร่วงลับไปนะสำเร็จที่เจตนานะแค่นี้ก็ถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> แตะด้วยฐ า, านะความเป็นแม่เนี่ ย, วยความเศร้าโศกเสียใจอารมณ์อย่างนี้ไม่ควรให้เกิดขึ้นในขณะบุญกุศลใช่ไหมเศร้าโศกเสียใจก็จะจะเจือด้วยอกุศลหน่อยหนึ่งนะนเพราะฉะนั้นโยมทําจิตให้นิ่งรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าแค่นั้นนะ่ะนะก็จะกลับมานั่งสมาธิที่บ้านก็ได้ไม่ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเวลานั้นนะเมื่อไรก็ได้เพราะเจตนา มันสำเร็จที่ตรงนั้นมีการทำทาทานหรือทำกุศลหรือทาอะไรบางค่าที่ถึงเขาอะฮะอย่างกรณีถวายภาพประธานหรืออะไรพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยแหละฮะหามายว่าผาถวายพระพุทธรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องการถวายพระพุทธรูปไม่มีที่พระเจ้าบอกไว้นะนั่นอันนี้คือตรงที่สุดแล้ว มีเรื่องของทานการให้ยศจะให้แบบไหนก็ได้นะจะให้ทานอาหารนะผ้าเภสัชนะพวกยารักษาโรคเสนาสนะได้หมดนะรักษาศีลประพฤติกายวาจาเราตามศีลห้าทำสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วตั้งเจตนาบุญที่เกิดจากสมาธิเกิดจากศีลเกิดจากทานการให้ก็ขออุทิศให้กับ ลูกของเราอย่างนี้นะอทีนี้จะทํำยังไงให้เขารู้สึกว่าเออลูกเขาได้รับจากบุญกุศลที่เขาให้เขามั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เขาทําให้ลูกนี้เขาได้รับอะไรเงี้ยให้เขามั่นใจในคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าคืออย่าหวั่นไหวในคําพระาศาสดาตัวเองนะสิ่งใดที่เป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้และไม่มีประโยชน์พระาศาสดาไม่พูดนะไม่พูดออกจากปากเด็ดขาด ถึงจะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็จะไม่พูดอีกเช่นกันพระศาสดาจะพูดเฉพาะเรื่องจริงเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์นะอาจารย์คนในระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยก็รู้ลมหายใจเข้าออกแต่จิตก็อดจะคิดไปถึงลูกซึ่งเพิ่งจะเสียไปไม่ได้นะฮก็ถือว่าอยากจะให้ละนันทีแต่นี่จะทำยังไงให้ให้ละได้เร็วตรงนี้อ๋อการละได้เร็วมันจะขึ้นอยู่กับ กำลังการภาวนาของเขานะอ่าอันนี้อยู่ที่การฝึกฝนนะอืมเพราะว่าจริงๆเขาก็ปฏิบัติมาระดับหนึ่งเหมือนกันแต่พอถึงเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่สติแตกนะคะก็คือแบบควบไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เลยจริงๆนะถึงจะรู้ว่าถึงปฏิบัติมาเยอะแต่ว่าเราคิดว่าเราเยอะแต่จริงๆแล้วพอผจญเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมัน หายไปไหนหมดก็ไม่ทราบเลยใช่ใช่ใชก็ก็ดีเป็นเครื่องทดสอบเราจะได้เอาเหตุการณ์นี้เนี่ยมีตนส่งไปในแนวของธรรมะปารกความเพียรต่อไปนะเปรียบเหมือนม้าอาชานานสี่จำพวกก็ยับางคนเนี่ยได้ยินเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็ยังเฉยเฉยต้องได้เห็นนะนี่พวกที่สองนะปะตักเข้าถึงขุมขนพวกแรกเห็นเงาปะตักก็วิ่งแล้วได้ยินเกิดแก่เจ็บตายก็ปฏิบัติลว บางพวกต้องได้เห็นประตักถึงขุมคนประตักเข้าเนื้อก็คือคนรักพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเสียชีวิตก็เริ่มมีตนส่งไปในแนวของธรรมะแต่บางพวกยังไม่ยังไม่เห็นอีกต้องตนเองได้รับทุกเจียนตายเองอันนี้ประตักเข้าถึงกระดูกนะม้าอาช า, ายประเภทนี้ถึงจะวิง่งนะนั้นความสำนึกของคนในการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เท่ากัน นะดังนั้นก็ขอให้ใช้เหตุการณ์ตรงนี้ให้เราเนี่ยมีตนส่งไปในแนวของธรรมะคือนำมาประพฤติปฏิบัตินะ เ, เพราะว่าภัยนี้เนี่ยภัยอันเกิดจากความแก่เจ็บตายเนี่ยพระศาสดาเรียกว่าอามาตาปุกติกภัยภัยที่แม่ลูกรับ ก, กันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้นะแม่เนี่ยตายแทนลูกไม่ได้แก่แทนลูกไม่ได้เจ็บแทนลูกไม่ได้ ลูกก็แก่เจ็บตายแทนแม่ไม่ได้ทุกคนเนี่ยต้องช่วยตัวเองนะพระเจ้าจึงบอกว่าให้ทั้งพวกเธอทั้งหลายเนี่ยพึ่งตนและพึ่งธรรมะบอกอนอนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจากักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสลนะาณะมนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลานณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสลาณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลาณะเป็นอยู่นะต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะนะอืมก็ในฐานะที่ลูกของเราเนี่ย ล่วงลับไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่เราจะทําได้นอกจากการอุทิศบุญกุศลนะอริษพแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยเราก็ทําในจุดนี้นะโยมเนาะคือนอกจากทําอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาแล้วเนี่ยนะคะคือพออยู่ที่บ้านพอเห็นอะไรของลูกเสื้อผ้าของลูกห้องลูกอะไรเงี้ยมันก็อดจะรู้สึกไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะตรงนี้จะละจะมีเทคนิคอย่างไงให้ละให้ให้เรีวตรงนี้ได้ไหมก็ต้องพิจารณาความตาย คือน้องมาถึงตัวเราเหมือนกันว่าเราก็มีความตายเป็นธรรมดานะก็เหมือนกับเป็นผู้เป็นเช่นเดียวกับเราเราก็เป็นเช่นเดียวกับเขาน ะ, นะค่อยๆปฏิบัติไปเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะโยเน ะ, นะ อ๋อไม่เป็นไรโยมให้เกาะอารมหายใจไว้ให้มากที่สุดนะเกาะอย่างเดียวเลยไม่ให้จิตขยับไปไหนถ้าจิตไม่ขยับไปไหนพบหมายก็เกิดไม่ได้โยมนะใช่ถูกต้องกลับมาที่ลมอย่างเดียวก็ละความเพลินไงโยมอืม ถูกต้องยมต้องเอาความเพียรพยายามทุกอย่างเนี่ยนำมาช่วยตรงนั้นเลยทิ้งให้เร็วให้ไหวที่สุดอย่าให้พบใหม่เกิดขึ้นมาได้นะจิตที่ออกไปรับรู้อารมณ์คือจิตสร้างพบใหม่นะถ้าพบเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการก้าวลงแห่งนามรูปก็จะมีวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยตรงนั้นแล้วยมคิดเรื่องอะไรเนี่ยวิญญาณเกิดล้ตรงนั้นนะการปรากฏขึ้นแห่งวิญญาณคือการปรากฏขึ้นแห่งชาชรามรณะ แกเจ็บตายจะตามมา